อาจารย์พรหมวันนี้เข้ามาก่อนเพื่อนเลยอาจารย์พรหมสบายดีหรือจ๊ะมีอะไรจะพูดไหมขอบค่ะอาจารย์โอ้เข้ามาก่อนเพื่อนเลยเหรอค ะ, อะครั้น<า>แรกค่ะอะคุณนุกูลกับคุณพรหมสบายดีนะสบายดีค่ะอาจารย์สบายดีอโอเคก็เชิญรับฟังไปมีอะไรถามก<ข>็ค่ะขอรับฟังเหมือนเดิมค่ะอ่านะถ้ามีอะไรเดียวจะถามก็ได้เนาะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะอัญชักรุงเทพเนีคนอาจารย์พรหมพิราจากกรุงเทพอันนี้จะเก็บสถิติหน่อยว่ามาจากกี่จังหวัดมาจากกี่ประเทศอ๋อ oh, ค่ะคนจกรุงเทพเป็นเลยทนะ่านต่อไปคุณวัลลวิลาสินีจากเยอรมณีจากมรดกสการค่ะท่านเมืองอะไรนะอยู่เมืองอะไรอายงอยู่เมืองเรสเดน den, ค่ะเรสเดนโอเคค่ะ เยอรมนีตะวันออกเมื่อก่อนนี้เป็นเยอรมันใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นเยอรมันตะวันออกค่ะท่านค่ะเคยอ่านตะวันถูกสงครามสงครามโลกถูกบ้องทั้งหมดเลยพอพอหลังสงครามโลกเสร็จเขาก็แบ่งค่ะเป็นสองฝากพวกอังกฤษอะไรพวกนี้พวกมีเงินหน่อยก็เอาทางฝากตะวันตกไปค่ะแล้วก็พัฒนาค่ะทางตะวันออกก็เป็นของรัสเซียอะไรพวกนี้ค่ะค่ะทีนี้ก็เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเดียวค่ะรวมแล้วค่ะ แต่ก็ยังเหมือนยังไม่เท่ากันอยู่ดีอะค่ะท่านมันต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่ามันไม่ได้พัฒนาเลยต่อเวลาที่เป็นของรัสเซียค่ะมีอะไรไม่วันนี้คือเวลาเชนีนี่ค่ะท่านคะยมยมทําอยู่ทุกวันค่ะทําแล้วก็ยมมีความรู้สึกว่ายมเข้าได้ลึกขึ้นนะคะสมาธินะคะท่านแล้วในนั้นนะคะยมรู้สึกมหัศจรรย์มากเลยค่ะไม่รู้ว่า มันเป็นสิ่งที่โยมไม่คยไม่เคยเจอค่ะในนั้นสติโยมเด่นมากเลยค่ะรถแห่งธรรมชนะรถทั่งปวงค่ะท่านมันแบบว่ามันทำให้คือว่างปุ๊บมันต้องไปทันทีอะค่ะท่านอย่างนั้นเลยค่ะนั่นละแสดงว่าเริ่มมีชั้นธานวิริยะจิตตวิมังสมีที่บาสีต่อทำนะออกไปมันก็จะอยากมันก็อยากจะทำมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรในโลกนี้สนี้โยมก็ ก็หาเวลาแล้วอะค่ะทำมากขึ้นนานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมดีทําไปเถิด น, นะอของดีแล้วเวลาที่ยมพิจารณาใช่ไหมคะท่านยมก็ก็ท่องอาการสามสิบสองได้คล่องแล้วละคะ่ะก็เห็นนวยวะตามอย่างเงี้ยค่ะคล่องแล้วยมก็เลยไปหาอา่าวิดีโอที่เขาผ่าชนะสูตรนะคะท่านเอามาดูแต่ละแบบศพแต่ แล้วลักษณะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็นึกภาพตามนั้นไปแล้วพอเวลาไปถึงเวลาจริงๆมันก็กแรกๆก็ขัดขัดคล่องคล่องบ้างอะนะคะแต่พอทําไปทําไปมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะมันระยังมีความรู้สึกนะคะท่านเวลาอยู่ในสมาธิแล้วค่ะสติเด่นมากเลยแล้วอะไรในนั้นทําไมมันหมุนช้าจังเลยคะท่านก็แล้วแต่มันอย่าไปอย่าไปถามว่าทําไมก็รู้ตามค <ฮะ S 2> วามเป็นจริงก็แล้วกัน ช้าแล้วก็เด็นอย่างเงี้ยค่ะมันแบบนึกอะไรความคิดเกิดขึ้นมามันก็รู้รู้รั้อจะสติเราสติเราวไยขึ้นมันก็เลยทําให้ทุกอย่างช้าลงถ้ามันแบบอะไรโผลมาที่ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ควรจะมีเราก็จะรู้ทันทีอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วทั้งหมดเนี่ยดีช่วยอยู่ในจิตเราเท่านั้นนะไม่ต้องไปดูข้างนอกข้างนอกมันไม่มารบกวนจิตเราเหมือนข้างในใช่ เรารู้ทันสิ่งทั้งหลายที่มัอยู่ในจิตเราเราก็สามารถควบคุมจิตเราให้มีแต่ความสุขได้มันเย็นแบบเย็นเย็นไม่ใช่แบบเย็นหนาวหนานะคะท่านเย็นที่แบบว่าต้องแหกเสื้อกันหนาวมาใส่อะไรไม่ใช่แบบนั้นนะค ะ, ะมันเย็น<จ>ชุ่นใจเย็นใจสุ่ามใจสบายอกสบายใจเบาอกเบา ใ, ใจ อิ่มทั้งนั้นที่นอนน้อยแต่ก็อิ่มอย่างเนี้ยค่ะท่านเออนั่นแหละเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธินี้ทําให้จิตเผู้ตื่นผู้เบิกบานน้ำปฏิบัตินี้จะไม่นอนกันมากสี่ชั่วโมงต่อคืนอย่างท่านก็พอแล้วแต่โยมก็ยังไม่ได้นะคะท่านสี่ชั่วโมงอยู่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ไงนี้มาเที่ยวต้องปฏิบัติเต็มทีต้องห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรอย่างนี้ยค่ะถ้ายังต้องทำงานต้องอะไรอยู่ก็ยังต้องต้องนอนมากเลย สำหรับนักปฏิบัติล้วนๆเขาพุทธเจ้าสอนให้พระนอนเกินระสีชั่วโมงเลค่ะไม่มีอะไรค่ะท่านแค่จะามาเติมพลังครับเติมนอนอาอามาเล่าให้ท่านอื <c oughs> ในได้ฟังว่าธรรมของพุทธเจ้านี่เป็นของแท้ของจริงสานติโกอากาลิโกไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลอยู่ได้ทุกแห่งทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่ มันจะอยู่เมืองไทยอยู่ยาวแล้วมันอยู่ที่ไหนถ้ามีเหตุทําให้มันเกิดแล้วมันเกิดได้มีเหตุมันมีใครต้องเตือนเลยค่ะท่านว่าให้ทํามันจะอยากทําของมันเองเลยค่ะท่านดีมากมากอยากไม่หยุดเลยค่ะทําไปเรื่อยๆนะ่ท้อท้อก็คิงถึงมาเติมเติมน้ำมันแล้วค่ะท่านคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็หายท้อค่ะ ค่ะ ข, ขอบขอบพวกคุณค่ะเดี๋ยวยมฟังไปไปด้วยค่ะ okay, ได้อันต่อไปคุณมณิตราจากกรุงเทพใช่ไหมคุณมณิตราจากกรุงเทพค่ะพระอาจารย์กลับนมันส ก, การค่ะวันนี้อยากถาสติติเก็บสถิติหน่อยว่ามาจากที่ไหนบ้างเจ้าค่ะอะมีอะไรไหมวันนี้อ๋อพระอาจารย์ค่ะคือหนูอยากทํ า, าว่าพระอืมเวลาพระท่านบวชใหม่ๆที่จะต้องมีพระอุปชากับพระกรรมมาวะกรรม กรรมวาจันแล้วให้ขอนิสัยกับผัสกรรมวาจันหมายคมว่าขอนสิสัยหมายความว่าอย่างไรนะเจ้าค่ะคือขอให้ท่านเป็นอาจารย์เนี่ยเข้ามานิสัยก็ขอนิส <ok ัยอยากท่านท่านท่านอยู่ยังไงกินยังไงท่านประพฤติยังไงก็ขอนิสัยจะทําตามนิสัยของท่านแล้วก็แล้วอย่างนั้นยังมีการกล่าวว่าภาระของท่านจะเป็นภาระของกระผมภาระของกระผมจะเป็นภาระของท่าน แดีวค่ะท่านคนจะช่วยเหลือกันดูแลกันแล้วค่ะครูบาอาจารย์ก็จะมีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็มีหน้าที่อุปถารับใช้ใชนางบาตนางกุติเชิดกุติเชิดถอกุติอะไรรับใช้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่สั่งสอนธรรมะให้กับลูกศิษย์นี่คือภาระของของอุปชาครับอสัสธิวิหารเล็ก ผู้คนบวชนี่เขาเรียกว่าสัตว์ที่วิหารอุปชานี้เป็นเป็นผู้ให้บวชเป็นเหมือนพ่อ่คะผู้ให้กำเนิดในพระพุทธศาสนาอยู่แลอุปชาเจ้าค่ ะ, คะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตาไม่มีวันไม่มีไม่มีเปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์ระหว่างอุปชากับสัตว์ที่วิหาราิษณีเป็นเหมือนพ่อลูกเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะพระอย่างนี้พระอุปชากับพระก ม, มา วาจารย์จะเป็นท่านเดียวกันหรือจะเป็นคนละท่านก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะปกติจะเป็นคนะท่านนะจะมีพระ อ, อุปช า, ออาแล้วก็จะมีพระกรรมวาจากับพระ อ, อนุศาสตร์สามลูปสองลูปนี้จะเป็นผู้ช่วยพระอุปชาช่วยสอนที่เป็นผู้ผู้ช่วยแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นปเ็นผู้ที่ผู้บวชจะถือนิสัยด้วยถือนิสัยกับพระอุปชาอุปชารูกเดียวเจ้าค่ะ เธอเป็นพ่อลูกกันในกรณีของพระพระอาจารย์ก็คือเป็นหลวงท่านหลวงตามหาบัวเป็นพระกรรมวาจารย์ให้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่เราบวที่ว่าบรวรบวรก็มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาย์รแล้วก็มีเจ้าคุณสองลูกท่านมรณภาพไปนะแล้วเป็พระกรรมวาจาจารย์ก็เป็นพระอนุศาสนอ า, าจารย์องค์หนึ่งให้ศีลนี่องค์นึงให้อนุสา มีสอนกิยที่พึงกระทําสําหรับพ้าบวชใหม่จเป็นมินตาบาดมินตบาดใช้ผ้าบางสกลุลเอหยุดคนไม้แล้วก็ฉันยาดองน้ำมูดเป็นปัจจัยสี่ของพระอันนี้เป็นอนุศาสอนุศาสนอาจารย์จะเป็นผู้สอนธรรมบวาจาอาจารย์จะเป็นผู้ให้สีก่อนจะบวชเป็นพระต้งบวชเป็นเนตก่อนนะค ขอสมาทานศีลสิทธิ์ก่อนอยากกรรมาวาจาอาจารย์มาบวชเป็นเณรแล้วถึงจะบวชเป็นพระได้ต่อไปใช่ค่ะยังพระทุกลูกนี้ต้องบวชเป็นเณรก่อนทุกลูกแ ต, แต่บวชที่เดียวกัมกันไปเลยต่อเ น, นื่องไก็คือวันเดียวกันได้ได้เลยใช่ไหมจ๊ะพอะบวชเป็นเณรพระก็ขอขอกล่าวคํา ข, ข, ขอบวชอุปสมบทตอนพอถึงแบ่งเป็นสองขั้นตอนบนรรพชากัอบอุปสมบทเนี่ยอ๋อเจค่ะ มันประชาแปล ว, ว่าบวสมมทสำนันอุปสมบทคือบวทพระแล้วที่เขาบวชนักใสชุดสีขาวกันนะจ้ะค่ะออ น, นั่นยังไม่ได้บวชเป็นเพียงแบบฝึกหัดก่อนให้ฝ<อ>ึกัดอยู่แบบพระก่อนยืนอยู่แบบพระก่อนดูว่าจะอยู่ได้ไหมเขาเลยกผ้าขาวอ๋อจ้ะค่ะแปดถึงสิบแปดจ๊ะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจแนละ้วจ๊ะค่ะ เมื่อคืนนี้ภาษาเกตเขามีคนถามจะเป็นนาการิกะเราเรียกนากาลิกะเป็นนาคจะอ๋อเมื่อเมื่อคืนหนูหนูไม่ได้ไม่ได้เขาเขาไม่ได้เข้าจะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพระจั่นหนูหนูถ้าไปบวชว่างฝาดนี้เขาจะบางทีให้อยู่เป็นพระขาวหนึ่ปีเลยไม่ให้อยู่ทันทีเขาต้องการฝึกดูนิสัยก่อนว่าอยู่ได้ไหมได้ไหมย่านอนสอยง่ายหรือไม่ห่ื จะเป็นคนดก่อนถือตัวเลยหรือเปล่าเพราะจะฝึกดูนิสัยก่อนแต่ถ้าเป็นวัดแบบทั่วไปวัดไม่ใช่วัดป่าเขาเขาเพิ่งไม่นานเพราะส่วนใหญ่ก็บวชชั่วคราวบวชบวชแบบทดเวนทดแทนคุณของมารมารดาบวชตามอภัยนิจแต่พวกที่ไปบวชวัดป่านี่เขาบวชเอาจริงเอาจังเอาจเขาบวชแล้วเอาวิิบันเอาวิมุตติเอานิพพาน เพรนครูบาอาจารย์ที่จะรับเข้ามาเป็นลูกศิษย์ต้องดูนิสัยก่อนหรือว่าเป็นยังไงถือนิสัยของครูบาอาจารย์ได้เปล่าครูบาอาจารย์สั่งสอนดืรั้นหรือเปล่าเนี่ยฝึกนิสัยก่อนดูนิสัยก่อนผมไม่จะให้นิสัยต้องฝึกต้องดูนิสัยเขาก่อนเหมือนมั่นกันอ่ะเหมือนยังไม่แต่งานกันมั่นกันก่อนดูสัมดาวกันหรอเป่าเป็นเพราแต่งงานแล้วสัมาวมัน สันดาลที่มันสังอยู่ใต้เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเวลา ย, ยังไม่แต่งงานยโอ้ยเรียบร้อยจ้าจ๋าครับผมพอแต่งงานแล้วมึงกลัวขึ้นมาถึงใช่จ้ค่ะจริงแต่พระอาจารย์ค่ะถ้าเกิดในกรณีผู้หญิงก็บทชีได้อย่างเดียวนะตอนนี้ใช่ไหมคะ่ะได้เนี้ยเมืองไทยเราไม่มีธรรมเนียมของพิกซูดีแล้ ว, วพิกซูดีหมดไปหลายหลายพันปีแล้ว ตอนแต่ยุคพันรู้สึกภิกษุณีนี่อยู่มาได้ประมาณพันปีปแล้วก็หมดพอหมดแล้วก็ไม่มีใครมาบวชมาสอนภิกษุณีได้แภิกษุณีเขาก็เป็นเรื่องของผู้หญิงเขาพระมาสอนเรื่องผู้หญิงก็สอนไม่ได้บางเรื่องก็เลยไม่มีภิกษุณีแต่ให้เป็นแม่ชีไปถือศีลสิบหรือถือศีลแปดใช่จ้ะค่ะแต่ก็เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกัน อย่างแม่ชีก็ต้องมีการเอ่ออยู่อยู่ดูนิสัยกันก่อนเหมือนกันแหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าที่เราจะไปกดอนมีแม่ชีสองแบบแม่ชีบ้านกับแม่ชีวัดค่ะแม่ชีบ้านกับแม่ชีวัดคืออยู่ที่บ้านของตัวเองอย่างนี้ก็เป็นแม่ชีได้ล้แม่ชีบ้านคือศีลสิบตั้งแต่คนหัวไปจ้าค่ะหรือพวกที่ไปอยู่วัดก็เป็นแม่ชีบ้านแม่ชีวัดก็ต้องดูกฎระเบียบของวัดจ้าค่ะ เราเข้าหาเจ้าวาดเจ้าวาดจะเป็น<า>ผู้สั่งสอนเป็นโู้อบรมเป็นเหมือนผู้ให้นิสัยเจ้ค่ะ ว, วัดวัดยาณก็มีแม่ชีเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะมีเพียงรูปเดียวเรามีเพียงรูปเดียวเจ้าค่ะนั้นวัดยานก็จะให้บวชแบบอแม่ชีพราหมณลชีพรา ม, ารามตัดผม่ยังไม่ตัดมผมยังไม่กรรผมเจ้าค่ะเราให้อยู่เพียงครั้งละไม่เกินเจ็ดวันเพราะที่เราจำกัด จะต้องแบ่ที่กันค่ะวันนี้มีมีแค่นี้นะคะพระอาจารย์ตอนนี้ก็มีข้อมูลแปลกแปล ก, กะะมากอยากเขาหนูรู้เรื่องโ ร, รากันค่ะหนูเท่าที่หนูถามพระอาจารย์เรื่องสวดมวลหนูก็เลยนําตอนนี้หนูสดภาษาไทยด้วยแต่หนูสดสลับกับภาษาบาลีด้วยพระรอาจารย์ค่ะออจะได้เข้าใจความหมายจะได้ปรใช่ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะ อันต่อไปเอกชาคือราิีชื่ออะไรนะคุณแม่แมลีเหรออาจารย์อยก่ันตวงพ่อค่ะพอดีเสียงค่อยๆเกินไม่ทราบเป็นเพราะว่างอได้ยินไหมคะเอ่อต้องพูดใกล้ๆเลยดังะได้ยินไหมคะได้ยินแต่มันค่อยมากค่ค่อยมากเลยเหรอคะ เ, อเราเราเราไม่ใช่หูฟังดู้ได้ไหมถ้งใช้เสียงเพิ่มถอดปั๊กออกถอายออกได้ยินไหมคะหลวงพ่อรู้สึกจะดังกว่าค่ะ เดีนี้เล่นเสียงก่อนนะคะอยู่ที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมตอนนี้นี่ยังอยู่ที่ออฟฟิศอยู่เลยค่ะหลวงพ่อที่ไหนที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ตรงตรงสาทรเนี่ยค่ะหลวงพ่อสาทรค<า>่ะหลวงพอ่อวันนี้ทํางานเดี๋ยวก็อวนนสองทุ่มแล้วใช่ค่ะวันนี้วันนี้นนดึกแล้วนี่จะจะกลับออกไปก็กลัวว่าเดี๋ยวระหว่างทางแล้วไม่ได้เข้าฟังอ่าก็เลยฟังก่อนใช่ค่ะหนูกลับขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยนะคะว่าวันพุธที่แล้วหนูบอกเอ่อ พอสองเกิดหนูผิดหนูเกิดพอสองสิบสิบสี่ค่ะสิบสี่ไม่ใช่สิบแปดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิบไม่ใช่สิบสองค่ะที่หลวงพ่อบวชหลวงพ่อบวชสิบแปดใช่ไหมนั่นเพิ่งมันเพิ่งได้สี่สี่ขวบค่ะลุงสัญญาไม่เทียงจำเป็นของพี่ไปมาหนูของตัวเองจําไม่ได้นะมันเกิาด้วย หลวงพ่อวันนี้วันนี้หนูจะมาอ่ามารายงานการปฏิบัติของหนูอค่ะหลวงพ่อเชิญคือเอ่อมันปฏิบัติเนี่ยเหมือนระยะเวลามันนานขึ้นอย่างสมมติหนูเ ร, เริ่มตั้งแต่สามทุ่มกว่าใช่ไหมคะมันก็เลิกเลิกประมาณสี่ทุ่มกว่าเกือบชั่วโมงครึ่งกว่าชั่วโมงยี่สิบกว่านาทีเนี้ยคะ่ะมันมันนานแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ย ตอนแรกๆมันก็เหมือนจิตมันยังแบบยังมีเออผุดเข้ามาในความคิดอยู่อะไรเนี้ยนึกถึงตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วพอพอนั้นก็จะเริ่มเริ่มแบบสงบเข้ามาค่ะหลวงพอ่อแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยพอสงบเสร็จเนี้ยใจหนูมันก็เกาะติดอยู่แต่คําภาวนาใช่ไหมคะมันก็เกาะเกาะติดอยู่เสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็นิ่งนิ่งเสร็จแล้วมันเหมือนมันตกหลุมอะค่ะหลวงพ่อประมาณ ห้าหกครั้งอ่ะเหมือนปึ๊บแต่แต่หนูไม่ไม่ได้หลับเลยนะคะรู้สึกตัวตลอดค่ะแล้วก็เวทนาเนี่ยมันก็เกิดกับเราเรื่อยๆแต่แต่จิตเนี่ยมันมันไม่มันไม่ทุกข์มันไม่แล้วมันก็ไม่ได้ว่าสุขมันรู้สึกมันเฉยๆค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันมันเหมือนแค่ว่าเออรู้เฉยๆว่าตอนเนี้ยเวทนามันก็เกิดกับเราไปใจมันก็ไม่ได้กังวลกระวายมันมันก็ทนได้มันก็เป็นของมันไปเรื่อยๆอยเงี้ยค่ะหลวงพ่อออ แล้วทีเนี้ยหนูรู้สึกว่าไอตัวตอนมือที่เรานั่งเนี่ยคะ่ะมือแขนขาเราเนี่ยมันเหมือนมันเป็นอันเดียวกันมันเป็ น, เ ป, นเป็นก้อนเหมือนแบบเป็นเป็นชิ้นเดียวกันเลยแล้วก็อยู่เหมือนของสิ่งของตั้งไว้เฉยแบบนี้ mm hmm. ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อวันนี้หนูตื่นเต้นมากเลยหลวงพ่อไม่เป็นไรน้ำอาไปน้ำตั้งอยู่ แล้วเวลาที่เราเรานิ่งไปลิ่งแบบว่ามันไม่ขยับปากก็ไม่ขยับน้ำลายก็ไม่กืนนั่งนั่งเหมือนแบบเหมือนคนแบบปิดประตูแข็งแข็งไปอย่างนั้นค่ะหลวงพอ่อเหมือนเหมือนสิ่งของที่ตั้งไ<อ>ว้ใช่ไหมนั่งอุเบกขาไม่มีอารมณ์แล้วแล้วทีนี้หนูไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยมันคือแปลว่าจิตเนี่ยมันเข้าสมาธิแล้วใช่ไหมคะหรือใช่ใชทีนี้มันมีหลายหลายหลายระดับ มมีระดับที่ยังมีขันรับรู้ขันห้าได้อยู่ ม, มีระดับที่ขันหายไปหมดเนื้อแต่จิตตัวเดียวอันนั้นลงไปเลิกที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องไปเถกตรงนั้นนะให้อยู่ตรงตรงไหนที่มันจิตนิ่งไม่ปูงแต่งจิตสบายจิตมีความสุขเบาออกเบาใจสบายใจไม่ทุกข์กับอะไรนี่นก็ใช้ได้แล้วแล้วอย่างเงี้ยที่ที่ตอนที่หนูทำเนี่ยมันหมายถึงว่า คือก็ใจมันเฉยเฉยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปเหมือนทุลนทุลายไปเออมันไม่ปรุงแต่เมันไม่ปรุงแต่มันเหมือนแค่เราเราเป็นสัตแต่ว่ารู้แต่ว่ารู้ค่ะเหมือนเหมือนเรานั่งอยู่เฉยเฉยแล้วเราก็มองคนที่เขาเดินมาเดินไปนั่นแหละเฉยเฉยเป็นเป็นสักแต่ว่ารู้ถูกต้องแล้วเนี่ยจิตต้องการฝึกจิตให้เป็นอย่างนี้เวลาออกมาเวลา เห็นใครก็ทําอะไรก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาเขาพูดก็อะไรก็ไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับที่เขาพูดค่ะแล้วแล้วที่ที่เ อ, อบอกว่าได้พอเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วคะ่ะแล้วจิตมันจะสงบมีความสุขอะไรเงี้ยมันมันจะรู้สึกตอนไหนคะห ล, งลวงพ่อก็มันก็ควรจะมีความสุขแล้วงบ แต่แต่ในใจมันเหมือนมันมันบอกว่าเหมือนจิตมันมันยิ้มาะหลวงพ่อมันยิ้มแต่แต่มันไม่ได้บอกความสุขแบบแบบแบบนั้นอะความสุขคนยิ้มมันก็มีความสุขใช่ไหมถ้าถ้าคนร้องไห้มันก็มันก็ไม่สุขก็คือว่าแต่ว่าเราก็รู้นะว่านะตอนเนี้ยมันก็เกิดของมันไปไอ้ไอ้เจ็บขาปวดขาอะไรเนี้ยหลวงพ่อมันก็เป็นของมันที่ตลอดแต่ว่า เราก็ได้แต่เหมือนเหมือนคนนั่งดูคนเขาเดินมาเดินไปเท่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เราเฉยเฉยเราไม่ไปมีปฏิกิริยากับมันค่ะไม่ไม่นำคาลไม่วุ่นวายไปกับมันค่ะก็คือมันก็ยังอยากจะนั่งอยู่จนจนกว่าจิตมันแบบว่าเออพอแล้วเงี้ยอ่าใช่ก็นั่งไปเรื่อยเรื่ยนี่คือวิธีฝึกให้มันเฉยเฉยไปนานนานแล้วเวลา เวลาเราไม่เราเราออจากสมาธิเราก็คอยสอนจิตให้เฉยๆเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิอย่าไปวุ่นวายอะไรกับใครทุกอย่างเป็นไตายรักเป็นหมดมอเป็นตายลักเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปค่ะอย่าไปยินดียินร้ายกับอะไรค่ะแล้วให้ให้ฝึกแบบนี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงพ่อฝึกให้มากๆขึ้นให้จิตรับกับทุกเหตุการณ์ได้ใครใครด่าก็เฉยได้ ไปตกหน้าก็เฉย ไ, ด, ไ, ได้ไม่ไปกอดไม่ไปเสียใจใแล้วทีเนี้ยมันเหมือนเราพอเรารู้สึกดีแบบเนี้คะ่ะหลวเพราะมันใจอะ่ะมันอยากจะอยากจะไปทําไปทําแล้วแบบเหมือนมันมันมันตั้งใจว่าเนี่ยใจอะ่ะมันจบจ่อว่าอยากจะมามานั่งอีกอยากยอยากเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็หาเวลาเพิ่มมากขึ้นมันจะตัดเอาเวลาอื่น เวลาที่ไปใช้อย่างอื่นที่ไม่จําเป็นก็มาเอามาใช้กับการฝึกจิตดีกว่าครับต่อไปมันก็อยากจะบวชเองอ่ะมันก็จะลาคาญโลกลาคาญคนลาคานอะไรต่างๆมันไม่ใช่ลาคานนะมันเบื่อมันเห็นแล้วมันก็สภาพเดิมแบบเดิมๆกี่กี่ปีกี่อะไรมันก็แบบเดิมๆใช่ค่ะหลวงพ่อหนูหนูไม่มีอะไรดูดื่มใจเหลยกับความสงบที่เราได้จากการปฏิบัติธรรม ใช่ค่ะก็คือความสุขข้างนอกมันเหมือนมันเหมือนในใจมันบอกว่ามันควันไฟมันเป็นควันไฟแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปมันสุขไม่จริงใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่มันปล่อยให้เราว้าเวหลังจากที่มันผ่านไปแล้วใช่ใช่หลวงพ่อแต่สุขที่ไดจากการปฏิบัตินี่มันอิ่มใจอิ่มเออบใจอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยังอิ่มอบใจอยู่ค่ะทีนี้ เนี้ยหนูไปกลับไปบอกแม่ว่ามันเบื่อไม่อยากไม่อยากอยู่สภาพแบบอย่างนี้อยากจะไปทางธรรมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปบอกอยู่กับคนเขาไม่เข้าใจนะเขาเขาก็เขาก็เหมือนกับแบบเหมือนว่าเหมือนนิดนึงว่าเอเหมือนว่าอย่าพึ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพราะเขาไม่เข้าใจเห็นก็ไม่ได้ไปบอกเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ หลวงพ่อคะแล้วเสร็จแล้วหนูไปฟังที่หลวงพ่อเทปเทป เ, เก่าอ่ะเรื่องอริยสัจอริยรสัจสี่อ่ะหนูเพิ่งจะเข้าใจแบบเหมือนมันชัดขึ้นนะคะที่ว่าทุกเนี่ยมันคือทุกมีสองอย่างมีทุกใจกับทุกกายใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, ลพอแล้วเสร็จแล้วไอ้สมุทัยเนี่ยก็คือเหตุที่ทําให้เราทุกทุกมันก็มีกรรมปัญหากับภาวะแล้วก็วิภาวะ ซึ่งหนูฟังมาแต่แบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นภาษาเหมือนภาษาบาลีหนูก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่พอหลวงพ่ออธิบายว่าเอกามเนี่ยก็อยากจะกินอยากจะน่นจะรูปรสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหนูเข้าใจแล้วเสร็จแล้วไอ้ภาวะภาวะเนี่ยคือเราอยากมีอยากได้อยากเป็นใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้วิภาวะเนี่ยก็คือไม่อยากให้มันหมดนะอยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยก็คือแบบใช่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อันนี้อันนี้ก็คือเหอาาตุเพราะว่าทารหาพอมีความอยากแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็ทุกเวลามันขาดจากความต้องการของเราใช่ค่ะพอพอหนูฟังแบบนี้ปุ๊บแล้วเวลาลูกหนู อ, อรารวาสหนูก็จะมานึกถึงเหตุว่าเนี่ยเราเราทุกเพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้่ใช่หลวงพอ่พอแล้วเขานนไม่เป็นก็ทุกใช่ค่ะแล้วพอ เออลูกหนูเนี่ยอารวาสอารวาสเสร็จมาหักมือมาทุบมาคว้างอะไรเงี้ยค่ะพอนึกปุ๊บจิตนี่ยมันมันคลายลงมาเลยหลวงพ่อมันมันก็ไม่มาโขลราบอกเออจริงเราจะไปบังคับให้มันดีอยู่ตลอดเวลาตามที่เราอยากเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ใจมันก็เหมือนว่าเออแทนที่มันจะร้อนมันก็เหมือนมันก็เย็นลงค่ะหลวงพ่ออันเนี้ยหนูก็ก็นิโรธไงพอใจเย็นหลวงก็เลยอริยสัเข้อที่สามก็ปรากฏขึ้นมา ค่ะนิโรดนิโรดกับข้อที่หนึ่งมันอยู่ตรงกรันข้างกันถ้ามีทุกนิโรดก็ไม่มีถ้ามีนิโรดทุกก็หายไปข้าที่ปัญหาพ่อเรามีมากคือสติปัญญารู้เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากพอเราลบความอยากได้ปับ๊บทุกข์ก็หายไปนิโรดก็เกิดขึ้นมาค่ะ <billions. S 1> การทํ า, างานของนิยาาสัตว์สี่ในใจของเราคแหนูฟังว่า มันจบแบบมันเข้าใจเออเราเราไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเราไม่ต้องไปแก้ที่ลูกไม่ต้องไปแก้ที่แก้ที่เรานั่นแหละทุกของเราเกิดจากความอยากของเราเ ивет, องค่ะหลวงพ่อไปขอให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นก็เสียใจเราเราขาเพอเขาเป็นก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปอีกก็เสียใจจะไปแก้ข้างนอกแก้ข้างในแก้ที่ใจเราแก้ที่ความอยากของเราผัดสอนใจเราให้ยินดีตามมีตามเกิด นโดดค่ะ่พ่ อ, อก็เลยรู้สึกว่าเออเข้าใจขึ้นแล้วก็เหมือนใจเย็นเลยว่าเรามีสมาธิมีมี ม, มีมีอุบเบกขาแล้วเราก็จะเห็นอริยสัมรง่ายขึ้นค่ะแ ล, แ, ลแล้วทีเนี้คนคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่บ้านอะ่ะพ่อพ่อของลัวะค่ะเขาก็เขาก็คือเหมือนกับแบบเอ๊ะทำไมมันไม่นอนสักทีมันนั่งนิ่งอยู่ทำไมเป็นครึ่งตือะไรเียมไม่รู้เงี้ยเขาก็แบบ เขาคือเขาก็จะตื่นมาเขากลัวจะเป็นบ้ามากกว่าจะเตใหญ่คิดคิกันอย่างนั้นแต่หลวงพ่อแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยแบบมันมันรู้สึกดีมากๆเลยเนี่มันสุขมันสุขมันสบายหลวงพ่อนานมากเลยค่ะวันเนี้วันนี้หนูรายงานแค่นี้ค่ะหลวงพ่ออ่าดีทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามศึกษาด้วยศึกษาเพื่อให้รู้ปัญญาให้รู้ทางจะได้ไม่หลงทางค่ะหลวงพ่อ โอเคนะ <ขอ S 1> ท่านต่อไปขอบคุณคุณขล่อคุณภาษสนาจากบุตรกทมใช่ไหมภาษสนาใช่ค่ะนมสัส ก, การขลุงพ่อแล้วสวัสดีคุณบอยคุณหลานแล้วก็คุณชัยนะคะก็วันนี้ก็จะรายงานก่อนนะคะท่าอาจารย์มีคำถามด้วยก็คือว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ทำ อาทิตย์หนึ่งก็ทำสามวันใช่ไหมถือศีลสองวันแล้วก็ทุดงวัดหนึ่งวันตาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ลองทําแบบหลงพ่อคือมารวมอยู่ในในชามเดียวกันก็ที่บ้านก็สนับสนุนนะลูกเลิกก็มาดูแล้ว่าเออก็พยายามลองดูว่าจะได้ตัดเรื่องของรถอะค่ะหลวงพอการจะตัดเรื่องรถก็ทันได้ค่ะหลวงพ่ะแล้วก็ไม่หิวด้วยคือไปถึงว่าทานแล้วก็มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกกระวนกระวายอะไรก็คือทํามาทํามาตั ay, ้งแต่ต้นเดือนทำมาสามวันเนี้ยโอเคค่ะแล้วก <c oughs> so ็เราครุกด <c oughs> <Alright, S 2> ูเป่าเราครุกดูเปล่า <c oughs> <So> <c oughs> เอายังไม่คลุกหลวงพ่อเอาวางก่อนเด àn, <şa> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์นี้จะคลุกกันรู้ว่าอาจารจะคลุกให้เขาก็เดี๋ยวมันก็องเข้าไปคลุกกันเลยใช่หลวงพ่อก็คือค่อยๆเริ่มไอหลวงพ่อคือรู้สึกว่าถ้าทำแล้วจะไม่ถอยกลับไงก็เลยค่อยๆเริ่มก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็แค่เอามารวมกันแต่ยังไม่คลุกแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์นี้จะคลุกแล้วหลวงพ่อแลวก็ทั้งวัเดียวอความจริงมันทําแบบนี้เพื่อตัดความเจ้าที่จุกจิกที่เราเกี่ยวกับอาหารเรากินนั้นอย่างนั้นกินอย่างนี้ะ แต่ถ้าหลังจากเราคุกกินได้แล้วต่อไปแล้วก็ไม่ต้องคุกกนได้ไม่จำเป็นต้องครุกไปตลอดชีวิตเนี่ยเองนะคุกดัดแล้วันไหนที่มันดึก ม, มันมันจู้จี้จุกจิกก็คุกมันดั ด, ดนิสัยมันวันไหนมันไม่จู้จี้จุกจิกกินอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องไปคุกมันอะได้แล้วก็ตอนเช้าเดี๋ยนี้นก็ตื่นแล้วก็พอางานเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้นก็เริ่มเริ่มวิ่งเพื่อจะรักษาขันท่าเพราะมีความรู้สึกว่าคือถึงจะรักสักยันที่ทีแต่ว่า ขันท่าถ้าเกิดว่าเราเรายังเรายังดูแลขันท่าดีอยู่เนี่ยพอเราเราจะบมรุธรรมขึ้นได้เรื่อยๆก็เลยรักพยายามกลับมาขยาันกับตัวเองคือดูแลขันตัวเอง <c oughs> แล้วก็ร่างสมาร่งสมาธินะคะหลวงพ่อจะรายงานเรื่องของใช้ปัญญาต่อเรื่องของเวทนาคือตอนเช้าเนี้ยเอ่อพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แล้วก็ใช้เป็นปัญญาพิจารณาเนี้ยคือตอนนี้รู้สึกว่าชอบในการพิจารณาเพราะอารมณ์นิ่งขึ้นคือมันถือว่ามันนิ่งขึ้นไปทั้งวันเลยพระอาจารย์แล้วก็คือพอมันทําเรื่องของสติกับ กัพิจารณาไตรลักษณ์กับเอเยนซ์ศาสตร์อ่ะมันมันมันหลุดน้อยกว่าคือถ้าเกิดสมัยก่อนเอาแค่สติความรู้ตัวกายกตาสติอ่ะมันมันจะหลุดหลุดมากกว่าก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากเลยแล้วก็ตอนช่วงบ่ายฟังพระอาจารย์ก็นั่งต่อเพื่อจะให้มันเกิดคือเพราะว่าฟังพระอาจารย์ไม่ได้นั่งสมาธิใช่ไหมก็ฟังธรมแต่ว่าก็จะนั่งต่อให้มันเกิดเวทนาแล้วก็ใช้ปัญญาตอนนี้รู้สึกว่าใช้ปัญญาเนี่ยมันมันมองว่าโพธิภะเนี่ยมันนั่งแล้วมันเจ็บเนี่ยมันก็คือมันมันสามารถจะแยกกาย มันเหมือนกับว่ามันพอเข้าใจเรื่องของกายเวทนาแล้วก็ใจได้มันก็เลยทําให้มันก็ผ่านเวชนาไปได้อาจารย์ก็พยายามจะนั่งต่อพยายามนั่งต่อให้ให้ให้ให้แบบสติให้มากกว่านี้จะได้มีสมาธิมากกว่านี้แต่รู้สึกว่าเวทนาเนี่ยมันมันเริ่มผ่านไม่มากขึ้นเราต้องนั่งนานกว่านี้ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าสองชั่วโมงกว่ามันเวชนามันก็ผ่านไปได้เราต้องพิจารณาบัญญัติให้มันมากกว่านี้ไหมคะหรือว่าเราใช้เราเราใช้เดินหรือว่าอันนี้ได้ อ็อยวที่ว่าเรายังกลัวมันหรือเปล่ากลัวความเจ็บหรือเปล่าไม่กลัวอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่กลัวก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่ทุกข์กับมันก็ไม่มีปัญหาไม่ทุกขก็แปลว่าวิทนาเนี่ยผ่านตอนนี้ก็ต้องเหลือแค่เรื่องของเรื่องของความตายคุณนายพระอาจารย์ก็พิจารณาอยู่นะคะอาจารย์ว่าเรื่องของการการที่แบบร่างกายเพราะพิจารณาเรื่องของขันเรื่องเรื่องของธาต แล้วก็เรื่องของการสามสิบสองแล้วก็พยายามดูเลยว่ามันเปลี่ยนไปยังไงมันเกิดมันมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยพยายามพิจารณาตลอดพระอาจารย์ออมันมีตัวตนไหมผมเป็นตัวตนหรือเปล่าคนมีตัวตนหรือเปล่าเาล็บนาฬิการลองแยากออกมาถามมันดูตัวตนอยู่ในนี้เหรออยู่ในผมเหรออยู่ในขนอยู่ในเล็บอยู่ในฟันเลยมันเป็นที่อาการที่มาประกอบ เหมือนเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์การสาริสสารก็เป็นเหมือนชิ้นส่วนของร่างกามันไม่มีตัวตนใจเราไปไปตู่เอาไปตู่อาว่ามันเป็นเราหมือนคนโบราณไปตู่ว่าโลกนี้แบนอะน ะ, ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมองทั้งลูกแก็สามีก็เริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจว่า ในร่างกายมันต้องมันก็คือเหมือนกันทุกคนคืออย่าไปยึดติดใครสักคนหนึ่งก็พยายามพยายามทำตรงนี้เพราะตัวเองเป็นคนยึดติดยจิตลดกมากนะสมัยก่อนนะคะอาจารย์เดียเเด๋ยวรู้แบบดีขึ้นเยอะมากมีคำถามนิดนะคะอาจาตเจตายต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนแต่จิตของเขาไม่ตายตัวที่เรารักเขาไม่ไม่ได้เป็นร่างกายตัวที่เรารักแล้วเราเกลียดก็คือตัวจิตเขาเนี่ยไม่ได้ตายไปกับร่างกายะมีคำถามนะคะอาจารย์พอเราพิจารณาไปเรื่อยเื่อยเนี่ยมีควรู้สึกว่ามัน ชีวิตเราไม่เที่ยงคืออยากจะถามมาพ้าอาจารย์นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเกิดเราเดินเดินไปหรือว่ามันเกิดแบบเจอแบบถึงถึงตอนตายปุ๊บเนี่ยให้เราทําใจยังไงไม่ถือจะได้หม่ถึงว่าจะได้หลุดออกไปเนี่ยคือต้องต้องสมาธิก่อนไหมแล้วบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็ลมหายใจหมดไปอย่างนี้หรือเปล่าคือคือถามไม่เผื่อนะพ่ออาจารย์เพราะว่าเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดใจก็รู้เฉยๆรือว่าอ๋อตอนนี้ตายแล้วเราต้องสมาธิไหมคะต้องเต้นตกใจไม่ต้องอไรเขาต้องสมาธิก่อนไหมคต้องเข้าสมาธิเกิดไหพ่ออาจาย์ก ไม่เข้าทันหรือเปล่ามันยังไม่เข้าทันหรือเปล่ามันเข้ามันก็หนีสิเข้าสมาธิมันก็หนีสิไม่หนีให้ยอมรับอางเดียวมันกำเนินาแล้วก็ไม่เข้าสมาธิออไม่ใช่อ๋อเออไม่ใช่เข้าใช้ปัญญาอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วยังงงเลยว่าเออแล้วมันจะสมาธิทันแล้วบอกว่าจะใกล้ตายตอ๋อก็ใจแล้วก็ใช้ปัญญาว่าเออไม่เข้าสมาธิแล้วท่านถ้าถ้าเข้าอยู่ทานปัญญาก็ใช้ปัญญาบอกอ๋อนี่ร่างกายไม่ใช่เราอ๋อจะตายแล้วตายแล้วเหมือนคนขับรถถังรถเสียแล้วรถเสียก็จอด ก็ทิ้งมันทิ้งรถงไปไปหาเดินไปเอาลงจากรถก็เดินไปพ อ, อร่างกายตายไปจิตก็ทิ้งหน้าง่ายไปเนี่ยก็แยกกันไปคนละทางตายแล้วอาจารย์ต่ได้เตรียมการเอาไว้ไงอาจา ร, ย, ารย์พอพิจารณาไปไเรื่อยเมันก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เตรียมไว้เดี๋ยวพอจะตายตกใจโู้หหวาดกลัววุ่นวายไม่<า>รู้จะทํำยังไงไม่ะอำยตอนนั้นแสดงว่าหลงและเริ่มหลงแล้ว ค่ะใช่ตรองมีปัญญาต้องรู้วิธีจิตนี้หน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้ออรู้ว่าอะไรกําลังเกิดอะไรกำลังดับตอนนี้รู้ว่าร่างกายยังอยู่เดี๋ยวพอร่างกายไม่หายใจก็รู้ว่ามันหยุดหายใจแล้วปมชั้นเจ้าบอกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายก็ดูแค่นั้นเองให้รู้แค่นั้นเองไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ เสียใจมวยวายอะไรต่างๆไม่ต้องทําอะไรคนปฏิบัติทำถึงขั้นนั้นแล้วเขาไม่ทำอะไรครับไม่พูดโธไม่อะไรทั้งนั้นถ้มผ่านแล้วเขาไม่ผ่าเขาไม่ถ้ายังไม่ผ่านก็แล้วแต่ว่าอยู่ขั้นไหนถ้าอยู่ขั้นพูดโธรก็ต้องใช้พูดโทรช่วยระงับความกลัวระงับความทุกข์เข้าใจแล้วอาจารยแล้วไม่ไม่กลัวอาจารย์เขาอย่างนั้นก็คืออย่างนี้รู้สึกว่าเออ ตายก็ตายสิงก็บอกมันจะตายก็ตายมันไม่ใช่กูขนาดกูไม่ใช่มึงเราไม่ตายด้วยจิตเราไม่ตายอกูขนาดกูก็คือจิตมึงก็คือร่างกายมันจะตายก็ตายไปสิกูห้ามห้ามมึงได้เปล่าห้าไม่ได้แต่เราก็รักษาแพทยเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ปฏิบัติทําไปได้เรื่อยแต่ถ้าต้องต้องงอคืนร่างกายไปก็ไม่เป็นไรก็รักษาเป็นจนมันอยู่ไม่ได้เพราไพระเจ้ามารักษาเป็นจงอายุแปดสิบ ท่านตัดสรตูตั้งแต่อายุสามสิบห้าท่านก็ยังเลี้ยงดูร่างกายไปแต่ท่านไม่ไปเอ่อไปอะไรเขาเรียกว่าไปแบบหลงไหลไปกับ ก, บการเลี้ยงดูร่างกายเหมือนคนโอ้ยต้องกินยาต้องกินวิตามินต้องกินอาหารเสริมต้องอะไรท่านก็เอาอาหารบินทบาทเนี่ยตามมีตามเกิดกินไปพอให้มันหายหิวว่าอยู่ได้แล้วถ้ามันจะตายเพราะขาดวิตามินให้มันให้มันตายไป จะไม่มีการวิ่งหาวิตามินหาอาหารเสริมอะไรต่างๆมีาามแต่ย่าโยมเระคอยวิ่งออกมาให้วิ่งจนรับไม่ไหวไม่ไหวรักษาชัดฉัน <c oughs> คนนั้นก็ว่านี่ดีคนนี้ก็ว่านั่นดีถ้าเราเชื่อเขาตายตายเขกินได้ก่อน <c oughs> <c oughs> มันเยอะเกิน <c oughs> อ่ะใช่ค่ะ อย่างนั้นก็ตอนนี้รู้สึกเลยว่าวงล้อเริ่มเริ่มหมุนจริงๆนะพระอาจารย์คือแบบจักอ่านธรรมของพระอาจารย์นี้ก็เกือบบทที่สามร้อยแล้วก็ก็ค<ม>ือมันก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิก็คือมันเหมือนกับว่ า, วารเราพยายามมันมันทำได้มากขึ้นแล้วก็คือรู้สึกว่ามันมันโอเคเลยค่ะพระอาจารย์ปัญญาเริ่มเริ่มหมุนแนละ้วเราบั็ญัต<อ>ิสติมา้าปัญญาหมุนหมุนไม่หยุดไม่หย่อนคิดไปในทางไตรลักตลอดเวลาคิดไปในทางอสุภะตลอดเวลา คิดเป็นทางอนิจจ์ตลอดเวลาอนัตตาตลอดเวลาคิดตลอดเวลาตั้งใจทำเขาจะได้จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่บรรดาพวกญาติญาติจะได้เข้ามา่าลูกหรือสามีอะไรเงี้ยจะได้เข้ามาสัตว์ไทยถ้าเห็นเราได้ดิีได้ดีเขาก็อยากจะตามเราไปเห็นไหมพระพุทธเจ้าพอบวชแล้วต่อไปญาติพี่น้องก็มาขอบวชกันเยอะแยะไปหมดตามกันคนมีกำลังใจค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวก็ทําต่อตอนนี้ก็คือทำต่อเหมือนเดิมก่อนใช่ไหมครพระอาจารย์ ยังไม่ต้องทดสอบอะไรนะฮะทำตอบแล้วแต่เราเราเป็นคนที่จะต้องพิจารณาเองว่าจะทดสอบเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้เราเป็นผู้เลือกเวลาสอบได้ <c oughs> ไม่มีกําหนดเวลาทางการอยู่ที่เรา <c oughs> ถ้าเรายังรีบร้อนกลัวเยอะไม่มีเวลาไปสอบก็ก็ต้องรีบกําหนดเวลาสอบออื <c oughs> เดี๋ยวอีกอีกพักหนึ่งหน่อยพระอาจารย์ขอให้แน่นๆ่นกว่านิดนึงเพราะตอนนี้ได้ชนาผ่านเหลือเรื่องของความตายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอีกพักพักหนึงหน่อยพระอาจารย์ขอให้แบบสมาธิมันนิ่งแล้วก็เป็นเป็นสติที่แบบเยอะๆก่อนพระอาจารย์เพราะจริงๆแล้วคิดว่ามันต้องคงต้องสอบอ่ะพระอาจารย์เพราะถ้าไม่สอบมันก็ไม่ขึ้นชั้นเนไงฮะอยากขึ้นชั้นมันปฏิบัติอยู่ที่บ้านกับปฏิบัติที่วัดเหมือนกันลองไปวิววัดปฏิบัติอยู่วัดป่าวัดที่เปิดน่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปา อันนั้นก็เป็นวิธีทําข้อสอบเป็นข้อนึงยังติดแ่พวกนั้นไม่ต้องมีปัญหานะครับอาจารย์เพราะว่าตัวเองไปออกหน่วยเป็นพอสวไปออกหน่วยนี้ไม่มีน้ําอาบน้ําไม่มีน้ําร้อนคือพวกนี้ไม่ค่อยติดนะครับอาจารย์เพราะตอนไปออกหน่วยไปช่วยคนใกล้มันคือมันลําบากมากเลยคราบอาจารย์จะสนุกมั้ยมันอาจจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวถ้ามันต้องอยู่นานๆเป็นยังไงครับขอพิสูะอาจารย์ขอบคุณวันนี้ไม่มีอะไรครับอะไรงานตอนนี้ไม่มีอะไรเนียพูดไปเกือบ ยี่สิบล่ะทีฟวงมันจะกตัวเองไงว่าต่างว่ามาสูทง <S <S ้งโอเคค่ะครันต่อไปคุณที t อ a ไท a แลนด์อยู่ว่าปากไม่รู้ไม่ชอบเผยหน้าตาอะไรคนนี้น่าาสปาหน้าตาเป็นัไงไม่ยอมให้ดูเลยเหอได้ยินไหมเธอคตาได้ยินแต่ไม่เห็นหน้า อ, อยากถามเรื่องการสวดมนต์อยู่ที่ไหนอยู่ที่สงขาใช่ไหม ลุงขาน่ะอยากทําเรื่องการสวดมนต์ตุ๊กตาถ้าไม่ไม่เห็นหน้าไม่ตอบนะบอกให้รู้ก่อนะพ่ออาจารย์ทำแบบไม่เห็นหน้าได้วหมตุ๊กตไม่เห็นหน้าไม่ได้เราไม่ก็ต้องเห็นหน้ากันหนิจะได้รู้จักกันไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่ให้ถามหน้าเราเป็นยังไงมันหน้าเกลียดนักเลย นสวัคนอื่นเขาก็เห็นหน้ากันหมดทำไมรอให้เห็นหน้าไม่ได้หรือว่ากักลัวจะถูกจับหรือกลัวตํำรวจจะเห็นนจับหรือเปล่ามีคดีติดตัวอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เจ้าค่ะแบบแตอนนัแบบเคยไปดูคลิปที่แบบเขาพูดถึงเรื่องกรรมด้วยเจ้าค่ะแล้วก็แบบถ้าทําแบบวิดีโอคอนแล้วก็แบบเป็นการใช้ บุญแบบในส่วนที่จะได้รับในมาคุดอะไแบบเนี้ยอ่าไม่เป็นไรถามมาฮะถามมาเอออยากถามเรื่องการสวดมนต์เจ้าค่ะแบบบางเทียนตั้งใจจะสวดมนต์หลายๆชั่วโมงเจ้าค่ะแต่ว่าบางเทียนแบบบางคนเขาไม่เห็นด้วยเค่ะแล้วก็คาวันก็จะหาว่าเราวันแบบสวดเกินพอดีอะรแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็เราจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ อ, อ๋อเราก็ไม่ต้องไปฟังเขาสิเราฟังเราสิาดูว่าทําแล้วมันดีไหมทําแล้วจิตเราสบายขึ้นไหมมีความสุขมากขึ้นไหมเนีแล้วก็ เ, เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรบแบบบางทีเราตั้งใจจะสวดแบบสักห้าชั่วโมงชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอะไรแบบนี้ยแบบตั้งใจจะสวดหลายๆชั่วโมงแต่ ว, ว่าเขาวันเขาวันนั่นเลยแบบคิดว่าเราวันแบบสวเดเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ใช่ปะ ก็มันไม่ต้องไปฟังเขาหรอกเพราะว่าเหมือนเรากินข้าวเราฟังเขาแบบว่าเขาให้เรากินกี่คํากี่จานไม่ค่ะใช่ไหมเราก็กินตามความต้องการของเราสว่วนมนต์ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการสวดมนต์ห้าชั่วโมงมันก็เป็นความต้องการของเราเราสวดถ้าเราไม่เลยไปทําให้คนอื่นเข้าเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะอาจารย์แล้วเราจะมีวิธีพิจารณาถึงความตายอย่างไรนี่ค่ะ ก็คิดว่าแม่หายใจเข้าแม่หายใจออกก็ตายแล้วแบบเราจะมีวิธีเตรียมตัวยังไงถ้าความตายมาถึงถูกปะมันก็ไม่หายใจดูลงลมหายใจเราแบบเราต้องนึกอะไรไหมตอนกรดตายแบบนึกนึกว่าร่างกายไม่ใฉ่ของเราจะตายก็ให้มันตายไป เราแบบต้องนึกถึงบุญอะไรแบบนี้ไหมไม่ต้องนึกหรอนึกไม่ไม่อันนี้เอาขั้นสูงสุดเลยนึกแบบขั้นวิปัสนาเลยก็รแบบ่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ให้มันตายไปถ้ามันไม่ได้ถ้าอาจารย์แล้วก็แบบบางเทียนพอไปพูดถึงความตายให้คนอื่นฟังนั้นแล้วก็เขาว่นแบบเขาว่นคิดว่าเราวันอยากตายอะไรแบบนี้แต่ว่า อ, าอย่าไปพูดอย่าไปพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เราพูดกับตัวเราคนเดียว คนอื่นเขาพูดไม่ได้หรอกนอกจากถ้าเขาปฏิบัติแล้วเขาสนใจมาคุยมาถามเรื่องตายแล้วเขาพูดได้แต่ถ้ า, าอยู่ดีๆเขาไม่เขาไม่พูดเรื่องนี้เราอย่าไปพูดนะเพราะเรื่องนี้เรื่องสลางใจป่าอาจารย์ทุกค่ะแล้วก็มีเรื่องอยากจะถามเจ้าค่ะแบบแบบถ้าเกิดว่าเราวันทํางานอยู่ใช่ไมเจ้าคะแล้วก็มีคนนั้นแบบอยากจะมาโลกของเราวันเหมัน มัอนอย่งเช่นถ้าเราทำการบ้านหรือทาข้อสอบอะไรแบบนี้แล้วก็เขาว่าแจะมาเราท่านเราเราควรปฏิเสธเขาอย่างไรเขาบอกว่านี่ของใครของมันไงมา บ, บอกว่าแบบทำไม่ได้แบบบอกว่าของใครของมันแบบนี้เหรอเออของใครของมันแบบเสื้อผ้าของหนูหนูก็ใส่ของหนูใช่ไหมคนอื่นจะมาเอาไปใส่ได้ไหมแล้ว ทำคนได้ดีเจ้าเออแล้วก็แบบแล้วก็ถ้าถ้าเขาโกรธเราอันก็ควรปลดเขาไปใช่ไหมถ้าโกรธก็แสดงว่าเขาไม่เป็นมิตรแท้มิตรแท้ไม่โกรธกันแบบตน้นมันไมเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนกินพอาะเขาไม่ได้กินเขาก็โกรธเราเขาก็เลยเป็นเพื่อนเราได้พิสูจน์กันว่าเป็นเพื่อนแท้หรือเพื่อนเพื่อนไม่แท้ถ้ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราอันไม่ให้เขาโลก การบ้านข้อสอบแบบเก็บคะแนนนั้นแล้วก็แล้วก็เขาโกรธเราแล้วก็เขาแบบไม่อยากจะพูดกับเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้คนอื่นเยอะแยะไม่ใช่มีเขาคนเดียวในโลกนี้นะแล้วก็แบบเขาแบบไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วเขาก็แบบก็ให้เขาไปแล้วก็อยู่ของเราไปแล้วก็บางแล้วก็แบบบางทีเจ้าค่ะแล้วก็บางเทียนแล้วก็แบบมีมีมีใครที่เขาแบบชอบแบบเบียร์เราอะไรแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็ บงเ้วก็หลบเขา้าเลถ้าเขามาเบียดเรียนเราเราหลบได้แล้วก็หลบเหมือนหมาหม้ามันจะมากัดเราเราก็หลบแบบแบบปังเทียนแบบเราอันก็อยู่ส่วนเราแล้วก็เขาวันก็เขาก็อยู่ส่วนเขาไปต่างคนต่างอยู่ไปไปเขาจะพูดให้เราแบบเสียหายอะไรแบบนี้เจะก็ปล่อยเขาพูดไปไหมเราไม่เสียหายสักอย่างมันแบบปังทีเวลาเขาพูดพูดแบบแบบ เขาบอกว่าเราเป็นหมาเราเป็นหมาเปล่าล่ะไม่งั่นสชกรท่านนั้นแหละก็ปล่อยเขาพูดไปเราไปห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้าอาจารย์แล้วถ้าผู้ที่เกิดมาแล้วแบบได้ได้อัตภาพเป็นคนนี่ถือว่าโชคดีไหมเจ้าคะก็ถือว่าเป็นบุญอะ่ะการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากแล้วยิ่งมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี่ยิ่งเป็นเป็นโชคกันมหาศาล เพราะไม่ถูกกัตตลีรางวัลที่หนึ่งนะแล้วถ้าผู้ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ก, ก็เหมือนคนถูกรัตตลีก็ไม่เอาไม่ไปขึ้นรางวัลไงอ๋อเจ้าค่ะใช่ไหมัู ก, กรัตตลีก็เก็บไว้ในในกระเป๋าแล้วไม่เอาไปขึ้นรางวัลมันก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งถ้าถ้าอาจารย์แล้วแบบอยากจะถ า, ถามเรื่องแบบ เก็บข้อสอบอะไรแบบนี้ช่ไหแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นแบบการบ้านหรือว่าที่เขาไม่ได้ดนิคคะแนนทีเดียววันเหมือนกับเขาจะตรวจให้ก่อนรอบทำไมแล้วการบ้านตรวจไม่ตรวจยังไงไม่เข้าใจมันกับสมมุติว่าเขาวันแบบบันรับเขาวันแบบไม่ได้ให้คะแนนทีทีดานานั้นแบบเขาจะให้เป็นแตรงเรื่งองเขาก็ไม่ให้คะแนนถูกต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมแบบ มันแบบมันกับว่าเขาให้คะแนนแบบในที่สมุดอะไรแล้วแล้วก็แบบถ้าใครจะมาขอเล่าของเราวันเราควรจะให้เล่าไหมคะก็เขาไปเรียนหนังสือนี่เพื่อเรียนเพื่อสอนตัวเพราให้มีความรู้ถ้าไปเล่ามันก็มันก็ไม่รู้สิอ๋อนะมั้ยเราไปช่วยให้เขาโง่ไม่ได้ไปช่วยให้เขาฉลาดเรียนหนังสือเพื่อให้เราฉลาดจะฉลาดแล้วก็ต้องทําการบ้านเองอ่านหนังสือเอง อาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราปฏิเสธแบบเหมือนเราพูดว่าทําด้วยกําลังความสามารถของตัวเองอย่างนี้เราได้ไหมคะได้เพราะว่านี่คือการเรีย น, นการเรียนเขาก็ต้องการให้เราหัดเรียนหัดรู้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นรู้แทนเรารู้แทนเราแล้วเราจะเอาความรู้จากเขามาได้ที่ไหนไม่ได้ผ่าถ้าอาจารย์แบบแต่ว่าการโลกการ น, นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผิดเราดัง คิดได้ทแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะใช้เป็นการขโมยเป็นการขโมยความรู้ของคนอื่นมาหลอก่็เป็นความรู้ของตนเองหลอกครูสอบผานบ้านบอกนี่นิฉันทำฉันไม่ได้ทําเพื่อนฉันทําให้ฉันแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนี้แบบได้ แบบมากับมากเทียนแบบได้ยินแบบนักเรียนเข้าคุยกันอะไรแบบนี้แล้วแบบรู้สึกว่าปัจจุบันนั้นสังคมมันเปลี่ยนไปมากเลยทุกคนถูกต้องสังคมทุกวันนี้จะเป็นสังคมของสัตว์เดรัจฉานไม่มีสีหาล้วก็แล้วก็แบบตอนนั้นแล้วก็แบบได้ยินแบบเพื่อนพูดถึงครูด้วยทุกค่ะแบบเขาวันพูดแบบนี้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจมันไม่ได้เป็นมนุษย์ค่ะจะไม่ใจเป็นเดรัจฉานกันเขาแบบพูดแบบนินทาครูแล้วก็เขาวัน แล้วก็แบบบังครูนั้นเขาก็ไม่ความเคารพเท่าไหร่แล้วก็อย่างนี้ก็ไม่ถูกครูก็ยังครูก็ต้องเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นครูแบบแล้วเขาันก็เรียกครูว่าแบบ e p ป a t e อะไรแบเ น, นี้อออยอน่่จะไมถูกถก็ เ, เรียกอีแล้วก็เขาเด็ดดับด้วยชื่ออะไรแบบนี้ยแล้วก็ เ, อ, อ, เอเคไม่ถูกต้องเราต้องสุภาพเรียบร้อยเาคารพครูบาอาจารย์นะอันนี้ขึ้นไปนั้นหนูว่าพอมหรือยังค่ะซารุค่ะ คุณ <Okay. ś led> สืบพัฒนาท่านตอบไปจากบอ่อวินจังหวัดชนบุรีใช่ไหมวันนี้จะทําเก็บสถิติหน่อยว่ามาจากจังหวัดไหน บ, บ้างบ่อวินเจ้าค่ะอบ่อวินชนบุรีมีอะไรไหมพัฒนาของน้องครับก็ อ, อตอนนี้เพิ่งจะรู้ตัวเองว่าตัวเองสติน้อยเจ้พาค่ะพระอาจารย์ก็เลยกําลัง เ, เพียรเรื่องสติแล้วก็เรื่องหยุดอยากค่ะตอนนี้สองอย่างนี้กาลังเพิ่มให้ตัวยิ่งขึ้นคะหยุดดยาชอบดยากเขานะใไม่ใช่ค่ะหยุดความอยากนะคะเอาหยุดความอยากดีหยุดลดลดความอยากลงอไหนที่มันไม่จําเป็นก็อย่าไปอยาก อ, อยากเฉพาะเวลาจําเป็นนะใช่เวลาถึงเวลากินข้าวว่าอยากกินก็ไม่เป็นไรพอฟังเทศท่านอาจารย์ตอนนี้ก็เออ พระยที่ฟังก็คือพระอาจาจะเน้นเรื่องความหยุดอยากแล้วก็เน้นเรื่องสติให้ตัวเองค่ะตอนนี้ก็เลยสองอย่างนี้เน้นให้มากแล้วก็จะได้นั่งสมาธิได้นานขึ้นค่ะอ่ดีหยุดกามาฉันคะความอยากส่วนใหญ่มันมาจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มมันพอกินแล้วดื่มแล้วมันก็ขี้เกียจไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอนอยากจะสบาย เพราะว่าตอนนี้ที่ที่ผ่านวานั่งสวาทีแล้วน่าจะเหลาอย่างที่าาว่าจาวรวาก็เลยต่ใช้สติมากขึ้นนะคะเออเดโอเคมีท่านี้เหรอพะ อ, อ, อาจาพ่าค่ะเชิญท่านต่อไปคุณทวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอค่ะกลับนมันสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอวันนี้วันหยุดหวันนี้ วันนี้โยมโยมทำวันพุธให้เป็นวันพระของโยมค่ะอ่าดีวันพุธวันพระพุทธเจ้านะค่ะก็เลยพยายามว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนหาวันวันวันพระของตัวเองแล้วก็ให้ให้เป็นถือศีลแปดค่ะเริ่มเริ่มเริ่มปฏิบัติเริ่มทำค่ะนีเอาทั้งวันเลยถ้าถือศีลแปดวันพระก็ฝึกสติตลอดเวลาคอยหุมความคิดหยุดความคิด ให้จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่กาลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับอาบน้ำอย่าไปอยู่ที่ร้านอย่าไปอยู่ที่เรื่องนู้นเรื่องนี้พยายามดึงจิตไว้ฝึกสติไปแล้วพอเวลาเราว่างไม่มีอะไรทําไม่ต้องทําอะไรเราก็นั่งสมาธิพุทโธไปแล้วดูลงหายใจเข้าออกไปทำอย่างนี้สลับกับการฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้เดินจงกรมบ้างก็ได้ทางานบ้านบ้างก็ได้ คือสินแปดนี่ไม่ได้ห้ามทำความสะอาดบ้านได้นะอยากจะทํา <c oughs> อาเก็บกวาดอะไรให้มันสะอาดเรียบร้อยนี่ทำได้ค่ะก็ก็พยายามจะตั้งตั้งใจให้ให้เริ่มให้แบบอลองถือสินแปดอยู่อยู่ที่บ้านลองดู <c oughs> ค่ะว่าจะ <c oughs> ตัวจะทำได้อาจจะเพิ่มเป็นประมาณได้แค่ไหนอยู่คนเดียวหรือเปล่าอา่าไม่ค่ะแต่งงานอยู่กับสามีค่ะ ก็ลเลยว่า ว, วันวนี้ต้องเลาให้ก็ฟังว่าเราถืองสิแต่ต้องทําอะไรบ้างอย่างไรค่ะก็บอกเขาตั้งแต่เมื่อวานเขาว่าวันนี้ว่าฉันจะวันนี้เป็นวันพุตรทาสของฉันนะก็เลยว่าอาหารเย็นฉันจะทําให้แต่ว่าเอาแบบง่ายๆได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเผวันเดี๋ยวฉันสินแตกก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าได้ไม่เป็นไรเด็กก็ไมปดูหนังฟังเพลงไม่อะไรทั้งนั้นนะพวกมันทถงทั้งหลาย ให้ตัดข่าวถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปดูเหมือนก็ได้ค่ะจะไปค่ะลดลดสักวันหนึ่งทุกอย่างอย่าตัดโซเชียลเน็ตเวิร์ออกปิดเป็นตัดโลก้างไปอยู่เราจะได้เข้าข้างในได้จะให้ปล่อยให้จิตเข้าข้างในได้เข้าสู่ความสงบวันนี้ก็มีกีร คำถามไม่มีค่ะก็มารับพลังจากหลวงพ่อค่ะโอเคสาธุเยนเชิญนั่งฟังไปต่อนะค่ะคุณเกตเชนจาก USA North Carolina นะแ่นสกาครับอาจารย์อาจารย์สบายดีนะจค่ะสบายดีแล้วค่ะคือโยมจะมารายงานการปฏิบัตินะเจ้าค่ะส่วนที่โยมนักสมาธิธาจต จิตถ้าเราจิบลงดิ่งมั่นเนี่ยจิตจะเบากายจะเบาใช่ไหมเจ้าคะใช่จะสุบจะสบายคือ ม, คมันจะไม่รับรู้<แ>สิ่งภายนอกเลยใช่ไหมเจ้าคะบางทีก็รู้แต่ไม่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้เฉยๆบางทีรับรู้ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีอาการไม่มีอารมณ์รำคาญหรืรออะไรอยู่กับมันได้คือมีโอเบกขา ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงัอบอะไรต่างๆเจ้าค่ะโยมช่วงนี้โยมก็มันอาจจะมีมากมีน้อยนะปฏิบัติใหม่ๆม า, มาจะมีนิดเดียวมีน้อยอะไรมันยังลงไม่เลิกเยโยมก็อย่าไปกังวลทําไปเรื่อยๆมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าค่ะที่ว่าพอนั่งนั่งปุ๊บเนี่ยมันพอจิตจิกเขาเริ่มตั้งมั่นแล้วก็เหมือนเก้าว่ากายเรามันเบาแล้วจิตมันก็เบ า, แ ล, เบาแล้วก็มันเหมือน ตัวมันเหมือนจะลอยนะเจ้าค่ะแต่มันไม่ได้ลอยนะเจ้าคะอืะคือความรู้สึก น, นะเจ้าค่ะได้ไม่เป็นไรหรอกตามได้ถ้ามันนน่งแล้วมันไม่มีความอยากจะไปทําอะไรอยากที่อยู่เฉยๆก็ถือว่าใช่ได้เจ้าค่ะถ้ามันยังอยากอยู่ก็ต้องหยุดความอยากให้มันอยากเจ้าค่ะพยายามให้มันอยู่เฉยๆนะนานๆฝึกนิสัยฝึกการเฉยๆเพราะเราไม่ค่อยเฉยกัน ชีวิตเราส่วนใหญ่ที่ชอบวุ่นวายกับเรื่องนาราวต่างๆเรต้องกจะ<ห>ปบ<อ>ใจ้างปลอบให้มันเฉยๆบ้า ง, างโลกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากเราตายไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหรอกวุ่นวายแล้วได้อะไรก็ได้แต่ความวุ่นวายใจไปความเฉยดีกว่ า, าความสงบดีกว่าอ๋อค่ะอันนี้ตอนนี้อยู่คนเดียวลูกๆไปหมดแล้วเนะเอ่อ โยมอยู่กับลูกสาวอคนหนึ่เจ้าค่ะลูกสาวคนโตพอดีว่าเขาก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เขารอผลเอ่อช่วงเดือนมีนาว่าเขาจะได้เข้าโปรแกรมหรือเปล่าเพราะเขารับคัดเลือกแค่สิบคนเจ้าค่ะเอ่อคนนี้วันนี้ไม่ใช่เป็นทหารยังไม่คนทหารไปนะคนทหารเป็นลูกคนล็กแค่ไหมแล้วค่ะคนทหารเป็นลูกคนเลยคนทหารไปฝึกงานอยู่เจ้ค่ะเออโอเคกลับมาทีเดือนมีนาเจ้าค่ะดีต้องอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันก็ดี แต่ก็ตามคนต่างอยู่ก็ได้ไม่ต้องมารบกวนกันก็ดีดีคือว่าเขาทํางานโยมก็สามารถรักษาสินแตกได้เจ้าค่ะตัว <Ừ. S 2> ช่วงเย็นเขาจะไม่อยู่เขาจะไปทํางานร้านอาหารร้านอาหารไทยเนี่ยเจ้าค่ะออ <Ừ. S 2> โยมก็ถือเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือรักษาสินแตกไในตัวเจ้าค่ะโอเคอ<ต>ันนี้เองเจ้ายังไม่ตื่นนะเองเจ้ายังไม่ตื่นเจ้าค่ะ นอกบนนอนอยังไงนอนในท่าไหน ท, ท่าเขาจะยือนนอนเจ้าค่ะยือนนอ น, น, อนแต่ว่าเขาจะกําขาลงข้างหนึ่งแล้วก็หลับตาข้างเดียวเจ้าค่ะเอ <Yeah. S 2> ยือ น, นอนแบบไม่เสด็จแบบคอยรักระวังตัวอย่างนี้เลยเจ้าค่ะ hmm. ต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเจ้าค่ะโอเคเอาแล้วน ะ, ะเดี๋ยวไปไที่ท่านต่อไป คุณได้รู้สึกคุณได้คงจะไม่มีเสียงเพราะมันเปิดไมค์อยู่มันต้องงานนะเห็นเขาดังสมาธิอิ่เมเงียบเละโอเคเนี่ไปที่คุณนายโฟนอ้อมคุณอ้อมค่ะนมาสการค่ะพระอาจารย์จากที่ไหนจังหวัดอะไรวันนี้อยากจะทำสิิสิทอิบ้านเกิดอยู่อุบลค่ะแต่มาทํางานอยู่ชนบุรีค่ะตอนนี้อยู่ที่ชนบุรีนะใช่ค่ะโอเคฮะมอร์นิ่งแองเจ อเช่อกเตือนแล้วเลวอาจารย์ได้ยินอ้าวก็ไม่ได้ปลด่ใบเนี่ยคุณเป็ีนใบเลยอ่อย๊ย า, าคุณน้อมเชิญมามาคุณน้อมค่ะผ่าอาจารย์ก็จากอาทิตก่อนที่าถามผ่าอาจารย์ตัวที่ว่าให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นก็ ก็พัฒนาขึ้นแล้วค่ะก็เป็นตอนนี้ก็ที่40นาทีก็คิดว่าที่นี้จะเอาสักชั่วโมงหนึ่งทีนี้ตอนที่เรานั่งสมาธิเราจะมีอุเบกขาตอนไหนคะพระอาจารย์ตอนนี้มันนิ่งอถ้ายังพุโทโธพุโทโธยังดูลมอยู่แสดงว่ายังไม่นิ่ง <c oughs> ถ้ามันนิ่งแล้วมันจะหยุดพุดโทโธหยุดดูลมได้จะรู้สึกเฉยเฉยจะรู้สึกเบาสบายใจไม่คิดปรุงแต่งเลยค่ะ <c oughs> ยังก็ถ้ายังไม่นิ่งกระ้องพูดโทรศัพทพอถ้าเราหยุดพูดโธรศัพทยังมันก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมใช่พูดโทรศอยู่ก็ยังคิดอยู่ค่ะป้าทานใช่ก็ยังต้องพูดโทรศัพท์กันต่อไปอยังมันยังไม่ยอมหยุดยังไม่สงบถ้าเป็นรถก็ยังวิ่งอยู่ยังไม่จอดเรา<ต>เหยียบเบรกไปเรื่อยเหยียบเบรกไปเรื่อยเดี๋ยว ร, ราก็จอดเองพอจอดวิ่งแล้วเราก็รู้ออตอนนี้รถไม่ไม่วิ่งนะ เราพุโทโธไปเรื่อเดี๋ยวจิตมันหยุดคิดเราก็จะเรู้องมันเบามันสุขมันสบายบางทีมันเหมือนกับตกตกลงมาจากที่สูงแล้วก็เนิ่งสบายพ่านั้นพุโทโธก็หยุดไปเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่มีคว า, ามคิดอะไรคคือตอนนี้คือ ที่ที่ตัวเองปฏิบัติมาค่ะไม่แน่ใจว่ามาถูกทางไหมคือเริ่มต้นจากการที่ลดความอยากก่อนเพราะว่าตัวเองยังทํายังไม่ค่อยมีสติแล้วก็ยังทําสมาธิได้ไม่ค่อยดีก็ก็เริ่มจากการลดความอยากก่อนแล้วทีนี้ก็เริ่มมาฝึกสติแล้วก็สมาธิและค่ะอะถูกต้องพยายามลดความอยากกับกิจกรรมทางตาหัวใจมุ่งกายให้น้อยลงจะได้มีเวลามาฝึกสติมาฝึกสมาธิได้มากขึ้น แล้วทีนี้พอช่วงตอนเช้าไปทำงานก็เปิดฟังทางของผ้าจารย์ฟังในรถทุกวันทุกเช้าแล้วคือแฟนก็ฟังด้วยแล้วก็คือทำให้เราสองคนอารมณ์เย็นขึ้นนะค ะ, ะนั่นะะนะประโยชน์ของสมาธิก็อย่างนั้นนะดีหล่ะคะดีไหมละ่ ะ, มละสมาธิดีไหมประโยชน์ที่ได้รับจากสมาธิดีไหม ดีค่ะผ้าอาจารย์ผ้าทำที่ผ้าอาจารย์เทศก็ดีค่ะนั่นแหละก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วใจจะเ ย, ย, ยนน็นลงความโลภความโกรธความหลงจะเบางลงแต่มันยังไม่หมดนะมันคงต้องฝึกไปอีกเยอะยอยู่ค่ะแต่แค่เริ่มต้นได้ก็ดีแล้วค่ะผ้าอาจารย์ได้ไคนี้ก็ถือว่าดีแล้วดีกว่ามเมื่อก่อนเยอะเลยใช่ไหม <ม>ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ควบคุมอารมณไม่ได้เลยใช่ค่ะคุมไม่ได้เลยตอนนี้คือเหมือนมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยคือก็คิดว่าถ้าเราคุมไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาขึ้นตอนนี้ก็คือถือว่าขึ้นไปแล้วค่ะเพราะว่าคุมได้ระดับหนึ่งคือคุมได้ทําใจให้นิ่งได้หาว่างได้บ้างนะค่ะค่ะเดี๋ยวเสารอาทิตย์นี้จะไปตักบาตรป้าจางค่ะอ ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่จังอยู่อยู่ตรงอำเภออะไรเนี่ยอิวบอวินค่ะเคยไปตักบาทประมาณสองสามครั้งค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุจ่าจ่าขอบพระคุณค่ะคุณพระรุดาพรุดาจากสัตหีบชนุลีเชยกับน้มันการค่ะค่ะพระอาจารย์ว่าไงมีอะไรไห ก็ความขี้เกียจก็เบาบางลงแล้วค่ะได้ได้เพราะว่าค่ะนั่งไปก็ก็เอ่อสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันนะก็รู้ว่ามันไม่สงบอก็สงบก็รู้ว่ามันสงบไปอย่างเงี้ยค่ะเออดีค่ะก็ไม่ได้ไปคาดหวังเออไม่คาดหวังแต่ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆเหมือนไปตกปลาบางวันก็ได้หลายตัวบางวันก็ไม่ได้เลย แต่ถ้าไม่ไปมันก็จะไม่ได้เลยทําให้ปฏิบัติมันก็จะไม่ได้เลยเจ้าขาพระอาจารย์พยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยนะยิ่งมากยิ่งดีการปฏิบัตินี้ไม่มีไม่มีความเสียหายมีแต่มีคุณมีแต่ประโยชน์ค่ะอย่าไม่ต้องไปกลัวคนเพ้าว่าเราสุดโต่งเรายังไม่สุดโต่งยังไม่อดข้าสี่สิบเก้าวันเหมือนพ้องุทรเจ้ายังไม่สุดโเยอะ เค่ะดอข้าวห้าวันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าสุดตรงอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวว่าจะหาโอกาสไปอีกค่ะดีแล้วไปติดต่อติดต่อที่สำนักงานดูค่ะได้ได้โอเคไม่มีแล้วค่ะอ่าห็นแบบขั้นต่อไปอคุณจีบจาก Maryland USA คุณจีบการนัสศการค่ะพระอาจารปย้อนกลับเอ่อได้รับปัจจัยเรียบร้อยแล้วนะคุณหลาเขาโอนเข้าบัญชีให้แล้ว ค่ะโมนเสาทูค่ะมันนึกว่ามันจะใช้เวลานานปรากฏว่าโอมมันแป๊บเดียวแต่มนี้มันอินเทอร์เน็ตก็เนี่ยจากนอร์ทาลินีามาที่นี่แป๊บเดียวเนีล้วกดเข้าก็ถึงแป๊บเลยของโยมของโยมถ้าโอนมันจะใช้แบบอย่างน้อยสามวันเนี้ยค่ะสมวันทําค่ะขอบคุณคุณหลามากนะจ๊ะนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ขอบคุณค่ะคือโยมจะมาถามพระอาจารย์ค่ะวันนี้คือโยมอ่ะ เนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วโยมมีขึ้นขึ้นศาลเรื่องเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะโยมก็เลยตั้งใจว่าขอให้เขายกฟ้องคดีนี้ได้ไหมถ้ายกฟ้องโยมจะแบบถือสีไม่ใช่ถือสิไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์สามวันนั่งสมาธิอย่างน้อยครึ่งช่วงติดกันสามวันเลยปกติโยมจะนั่งบ้างไม่นั่งบ้างใช่ไหมคะโ <c oughs> ยมก็เลยปรากฏว่าเออก็สําเร็จก็เลยนั่งติดกันสามวันทีนี้วันแรกนั่งนั่งไปสักพักนึงมันจะเหมือนรู้สึกแบบ เหมือนตกวูบลงไปแบบเหมือนโดนดูวดวูบลงไปอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละจิตสงบมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันคือตอนแรกโยมก็ตกใจแล้วก็เลยเอ๊ะมันก็ไม่แน่ใจว่าเร า, เราไปแผอะไรให้รู้เฉยให้รู้เฉยก็คือนั่งมองก็รู้เฉยเฉยไปอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นยังไงก็รู้เฉยเไปเรายอมก็เลยแล้วมีครั้งหนึ่งก็ตั้งเวลาตั้งนาฬิกาตั้งตั้งทมเมอร์ไว้อ่ะค่ะ แล้วพอนั่งไปมันสงบมากเลยนะคะแต่พอทามือมันดังกึ๊งกๆ๊งกตกใจติดจิตเจรลิดแบบว่าตื่นว่าไม่ได้ตื่นค่ะแบบลืมตาขึ้นมาทันทีอย่างนี้มันมันออกจากสมาธิแบบผิดทางเพราคะค่ะมันก็ไม่กลัวว<ะ>่า ม, มันก็ออกทางเดียวนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมันถูกบงังคับให้ออกต่อไปเราก็อย่าไปตั้งทามืออย่าไปตั้งเวลา ใช่ค่ะตอนหลังครั้งหลังก็เลยไม่ตั้งเลยเพราะว่ากลัวว่ามันทําขึ้นมามันตกใจกแล้วกลัวว่าเคยได้ยินว่าถ้าเราออกจากสมาธิผิดไม่ถูกต้องไม่สงบแล้วเดี๋ยวมันจะแบบกลายเป็นโรคเป็นบ้าเป็นอะไรอย่างนี้ไม่จริงใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่จริงไม่เป็นเลยถ้มีสติถ้ามีสติรู้อยู่ก็ถูกนะค่ะแล้วพอนั่งมาสักพักวางค้างทำไมโยมนั่งตอนเช้าด้วยตองคืนด้วยพอนั่งตอนเช้าตื่นมานั่ง มันก็นั่งไปแล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นตอนนั้นคือนยั่งอยู่มันยังง่วงอยแล้วต้องทํายังไงดีคะลูกคือมาเดินลูกคือมาเดินยังเดินก่อนแล้วค่อยนั่งเดี๋ยวก็ได้ค่ะอเดินสมาธิไปเดินไปพุทโธไปก็แล้เดินไปดูเท้าไปก็ได้แต่อย่าเดินเฉยเยอย่าเดินแล้วคิดเดินแล้วหยุดคิดเดินแล้วให้อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไป คือเวลาที่เราทําสมาธิแล้วไม่ควรคิดเรื่องปรงสังขารไม่ควรคิดเรื่องอะไรทำไม่คิดอะไทั้งนั้นเลยต้องการให้จิตนิ่งอย่างเดียวอุโทโธอย่างเดียวนะคะอุทโทอย่างเดียวค่ะแล้วแล้ ว, ลวมีครั้งล่าสุดที่โยมนั่งไปเมื่อวันวันก่อนเมื่อวานเนี่ยคะ่ะโยมนั่งไปเสร็จปุ๊บแต่รู้สึกเหมือนกับว่าพอนั่งไปแล้วเรามีความรู้สึกตอนกลางคือ น, นะคะมันนั่งไปแล้วก็มันก็หลับห ล, ลับก็รู้นะคะห<ม>ลับตัวเองหลับก็รู้ พอเก็เลยพยายามนะคะให้มันตื่นพอมันตื่นก็รู้ก็ตื่นแล้วก็หลับอีกมันก็รู้อยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งรู้สึกว่าเอยร่างกายเราคงไม่ไหวจริงแล้วก็อยากจะออกใช่ไหมคะแต่มีจิตหนึง่งมันก็บอกว่าห้ามออกไม่ให้ออก อ, อันนี้มั น, ม, นมันแบบนี้นไม่เรียกว่ามันเรียกว่ า, วาแบบว่าหลับหลับตื่นตื่นช่วยลุกขึ้นมาเดินดีกว่าอย่าอย่านั่งแบบนั้นนั่งแบบอย่าฝ<ๆ>ืน<ๆ>นั่งต่อไปเลยใช่ไหมคะเดิน ล, ลุกขึ้นมาเดินดีกว่า ไอ้มันตื่นตลอดเวลานี่ว่านี่ว่าท่นแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะอย่างนั้นเราก็ไม่สงบอยู่ดีใช่ไหมคะถ้าครึ่งหลับมันสงบแต่มันไม่มีสติมันสงบแบบไม่มีสติมันไม่เรียกว่าสมาธิมันสงบแบบหลับซับประงกเงี้ยเราไม่เดราเราก็เลยไม่ได้สมาธิแล้วก็ไม่ได้ฌานไม่อไม่ได้ฌานไม่ได้อุเบกขาลุกขึ้นมาเดินดีกว่าลุกขึ้นมาเดินเจริญสติไปก่อนกให้มันหายง่วงก่อนแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ แล้วก็กลับไปนั่งใหม่แต่ถ้านั่งไปเรื่อยๆถ้าเขาถ้าร่างกายเรายัางรู้สึกว่าเราไม่อยากออกเราก็นั่งไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะได้ถ้าแน่งแล้วสงบแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องออกก็อย่าเพิ่งออกให้มันออกมาเองให้มันถึงเวลามันมันไม่อยากจะอยู่มันก็ออกมามันก็เริ่มคลี่โงแต่ค่ะก็เลยทิดพต ให้มากขึ้นพราะยมรูสกว่าช่วงหลังๆโยมนั่งบ้างไม่นั่งบ้างการถดก็ถดถอยลงไปอะคะ่ะการนั่งของเรามันก็จะถดถอยลงไปอเลยจะพยายามปฏิบัติมากขึ้นค่ะอ๋อลักอีกคําถามนะคะพระอาจารย์ตอนนั้นที่เราเป็นภาคภาษาอังกฤษที่โยมพิมพ์ Q&A ไปอะค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วพอเราเกิดมาปุ๊บอีกชาติหนึง่งถ้าเราเกิดมาก็เหมือนเราเป็นพระพุทธศาสนาเลยเหรอคะหรือว่าหรือแค่จิต จิตเราจะระลึกได้ว่าเราไม่อยากฆา่าสัตว์เรายังอยากอยู่ในศีล์ห้าอยู่นะเราเราเป็นเราก็จะเป็นเหมือนตอนที่เราตายก่อนที่เราตายเปลี่ยนแต่เราไปเปลี่ยนร่างกายใหม่แต่จิตเรานี้เป็นคนเดิมเหมือนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้เปลี่ยนชุดนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งก็คือยังเ ป, เป็นคนเดวงเดิมแต่ว่าก็คื อ, อสืบสืบสัญญามาจากครั้งก่อนอตายครั้ง ทุกอย่าง ต, ติดมากับใจหมดติดมากับใจทั้งที่เรายังเป็นเด็กอยู่มันก็จะติดมาเหมือนกอันับกเลอแต่ว่าเหมือนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเข้าวัดเข้าวาไม่ได้เป็นพุทธศาสนาตัดสุดท้ายเราก็จะหาทางเข้ามาในคือเราไม่ต้องไปหาวัดเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่วัดวัดเป็นที่ปลูกให้เรามีพุทธศาสนานขึ้นมาในใจ ตอนนี้เรามีศาสนาอยู่ในใจแล้วคือมีมีมรรคแปดมีศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวนำนาชีวิตเัาแล้วก็จะ ม, ม, มาปฏิบัติต่อเราก็จะมารักษาศีลต่อฝึกสมาธิต่อจเจริญปัญญาต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรอย่างน้อยก่อนจะตายชาตินี้เราก็ควรจะถือศีลให้เป็นประจำให้ ป, ปกติด้วยนะแตการถือศีลได้ยังไม่เป็นพระอริยนี่มันลืมได้ มันลืมได้เหรอคะเราต้องนั่งถ้าเราจะไม่ให้อยากไม่ให้ลืมเราควรจะมีสมาธิด้วยใช่ไหมคะหลวงก็นั่นแหละม oui ีสมาธิมีปัญญาด้วยรู้เหตุผลว่าทําไมเราต้องรักษาศีลค่ะค่ะวันนี้โยมมีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุรักษาสุขภาพมทนาสาธุค่ะขอบคุณทูลละอีกรอบนะคะขอบคุณทีมงานด้วยค่ะติดต่อกับคุณชลินธรร่วงมะปราง อ๋อเมื่อวานเขาโทรมาแล้วยม<ด>ทํางานยมก็ไม่ได้รักว่าเขาย้ายมาอยู่บ้านใกล้ใกลลูกสาวเขาขึ้นแล้วค่ ะ, ะคแต่เห็นบอกว่ายังอยู่อีกเดือนหนึ่งค่ะโยมก็เลยทนะอ้าวตาล่าจะกลับแล้วเดี๋ยวคงจะเข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวจะเข้าม า, มานะคะยมคิดว่าเขาฟังอยู่อาจจะฟังอยู่แต่อาจจะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีหรือเปล่าโอเคได้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ต่อไปคุณกำมลนันธุกุลอยู่ที่ไหนคุณกำมล เกิมาอก่อนนะฮะมหาวิทยาลัยพระจารย์ครับอยู่ปฐุมธานีครับปฐุมของตมอ๋อปฐุมเนี้ยไม่ใช่ของตมเป็นจังหวัดอย่างไม่ใช่คับเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งครับปฐุมของตมครับปฐุมมณฑลครับก็ได้ศึกษาธรรมะของหลวงตามาแล้วก็หลังจากหมดหลวงตาก็เพื่อนแนะนํามาให้รู้จักเอ่อลองมาฟังธรรมของพระอาจารย์สุชาติดูเข้าทางครับก็ ศึกษาทำบมาจากหลวงอาจารย์มาหลายปีเป็นครั้งแรกที่ได้ได้สนทนาธรรมกับอาจารย์ตรงๆหลังจากฟังทำทางออนไลน์ทางหลายหละยอย่างหลายหลายสื่อครับนก็ตั้งใจปฏิบัติครับเพื่อให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายครับได้อนั่งสมาธิเป็นไปได้ทุกคนมีสิทธิที่จะทําให้เป็นชาติสุดท้ายได้ด้วยที่การปฏิบัติครับมีคําถามอะไรไหมวันนี้อาไม่มีแลครับสุด โอเคงั้นเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณออดี้จากนาเกลยชนบุรีเหมือนกันนชนบุรีใช่อาจารย์ค่ะพระอาจารย์อวันนี้นั่งฟังมีพี่ท่านหนึ่งอะค่ะที่ชื่อคุณมาลีอะที่ยังทํางานอยู่ไม่ได้กลับบ้านตอนนะี้กลับบ้านแล้วมั่งเห็นนอ่าหนฟนะังแล้วหนนะูตอนนี้หนูนั่งสมาธิคล้ายๆกับพี่คุณพี่มาลีเขาอะคะอ่ะ วันวันก่อนดูนั่งแล้วมีความรู้สึกว่ามือมันตรงมือนะคะตอนที่เขานั่งอ่ะมันเหมือนมีแรงอะไรดูดดูดที่มือแล้วมันจะมันจะติดกันไม่เป็นไรอาจารย์แล้วแต่ว่าใจเราอ่ะรู้เลยนะมันมันพองพองอ่ะมันมีความสุขมากเลยค่ะอาจารย์มันมันแยกกันเลยนะคะมือจะดิ้ไปแต่ว่าใจเรื่องของร่างกายร่างกายเป็วลาไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรตอนเรานั่งสมาธิใช่ค่ะ ก็ดีมากเลยแต่ว่าวันนั้นได้ครั้งเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นหนูต้องต่อสู้กับเวสังขารตัวเองพอดีเป็นอะไรนะกดไหล ย, ย้อนกำเริบ ก, ก็เลยไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเลยสามสี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังยังอยู่กับพุดโททุกวันนะคะ <c oughs> ก็ก็มองมองตัวเองไปก็บอกว่าเออใช่มันเจ็บแต่ใจเราไม่เจ็บจริงอย่างที่พระอาจารย์บอกก็บอกใจไม่ได้เจ็บด้วยร่างกายมันเจ็บอะเราก็ต้องรักษาคาดขันแค่นั้นเองไม่มีอะไร เนี่ยก็เท่ากับอาทิตย์นี้ไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่แต่ว่าไม่ทิ้งพุธโธนะคะเพราะว่าต้องรักษาตากีต้องรักษ า, าก็วันได้ปัญญาถ้าเห็นว่าใจกับร่างกายเป็นคนอ่านกันก็ได้ปัญญาแล้วค่ะสมรมะพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดจริงๆค่ะอาจารย์โอเคเราไม่ทุกข์อีกแล้วเดสาทุกข์ทุกขค่ะท่านต่อไปนะคุณอัญชลากอนแก่นนะคะอ่อ่ พุ่งนี้วันพระใช่ไหมฮะวันพราค่ะเดี๋ยวหนูไปกับค่ะคุณอัชราคอนแก่นก่อนคุณอัชราคอนแก่นเปิดไมค์ก่อนนะอันนี้ไมโครโฟนเห็นไหมฮะเปิ ด, เ ป, ดเปิดไมค์ไม่เป็นอ่าโอ <Okay, S 2> เคได้ได้พูดได้แล้วอยู่คอนแก่นใช่ไหมยที่ฟันแก่นใช่ไหมคุณอัชรา <c oughs> จอแล้วค่ะเออเอได้เลยนจออย่างนั้นนะใกล้ๆหน่อยก็ได้ยิ่งใกล้ยิ่งดี คือว่าพูดดังๆด้วยกลับนมัส ก, การผ้าจารย์เจ้าค่ะ<า>ยอมพ<า>ักชราอยู่ที่ขอนแก่นเ<า>มื่อวันอาทิตย์เนี้ยเจ้าค่ะโยมกําลังข้ามถนนกับลูกสาวแล้วมองรถเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะถึงฝั่งที่ที่จะถึงจุดที่ข้ามข้ามไปได้เกือบจะสิ้นถนนแล้วเจ้าค่ะอยู่อยู่มีรถพุ่งมาแต่ โยมเห็นจิตตัวเองว่าปกติเราก็ปฏิบัติแต่พอตอนที่เราตกใจสุดขีดนั้นโยมเห็นจิตตัวเองอะ่ะมันมันไม่เข้าพุทโธมันไม่เข้าข้างในแต่มันก็ไม่ได้ตกใจคือมันมองมันมองเห็นมองแล้วก็รถที่เขาจะพุ่งมาชนเขาหยุดก่อนประมาณสักได้สักเม็ดก่อนจะถึงตัวโยม แต่แต่ถ้าเขาหยุดไม่ทันหรือไปเหยียบผิดโยมก็จะไม่มีชีวิตอยู่พอผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วโยมมาพิจารณาว่าจิตของเราอะ่ะมันไม่ได้มันเป็นมันตัวแข็งมันไม่ได้ส่งออกหรือหรือวิตไว้หรือตกกระจย แต่ขนาดเดียวกันมันไม่ได้มันไม่ได้หลบไปหาพุโทโธเหมือนที่เราคิด ม, มันไม่ต้องพุโทโธ ร, รถ้ามันเฉยก็ไม่ต้องพุโทโธมันเฉยเหมือนน้ำแข็งเจ้าค่ ะ, ะนั่นแหละแสดงว่าวมีสติมีอุเบกขามีปัญญาอ๋อเจ้าค่ะปล่อยวางได้ไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรจะเกิดก็ปล่อยันเกิดไปพอผ่านเหตุการณ์นั้นโยมเดินเดินเดินไปได้สักแป๊บหนึ่งโยมคิดว่า รถที่จะมาพุ่งชนนั้นเขาทําไม่ถูกเพราะมันเป็นลานจอดรถของในห้างสรรพสินค้าโยมเลยบอกลูกว่าให้ไปทําทุเลาแล้วโยมก็เลยเดินไปดูคนที่เขาขับรถอะคะ่ะ <c oughs> เพราะโยมคิดว่ามันเป็นเหตุที่ไม่ไม่ปกติโยพยมได้เห็นเขาแล้วเขากลับขอขมาโยมก็ให้ยาพายเขาแต่โยมบอกเขาว่าโอกาส เขาถ้าเขาขับรถโดยประมาทความโชคดีจะไม่เกิดขึ้นคือโยมคิดว่าทำไมโยมเพิ่งมาคิดได้หลังจากที่เดินไปได้สักสิเกโยมรู้สึกว่าเราจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่ได้ควรจะไปบอกคนที่เขาประมาทนะเจ้าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ไปบอกก็ได้มันผ่านไปแล้ว ถ้าบอกก็ต้องบอกบอกด้วยความเมตตาอย่าไปบอกแบบไปอย่าไปบอกแบบไปกล่าวโทษเขาหรือไปอะไรเขาให้เขาเสียใจใช่เจ้าค่ะโยมโยมบอกกับเขาดีๆเจ้าค่ะแต่โยมเอ่อมาพิจารณาจิตว่าจิตมันเป็นเหมือนก้อนน้ําแข็งออซึ่งการภาวนาของโยมที่เลิกงานโยมจะไปเดินจงกรม ประมาณสองรอบสนามกีฬาประมาณสักห้ากิโละเจ้าค่ะจึงจึงสาภาวนาต่อที่บ้านได้ได้ไดเน่ยแต่ทำไมจิตมันไม่เข้าพุทโธอ่ะเจ้าคะที่โยมสงสัยก็มีสติแล้วมันก็ไม่ต้องเข้าพุทโธมันนิ่งแล้วมันก็ไม่ต้องพุทโธอ๋อเจ้าค่ะงั้นโยมก็ต้องเพียรต่อที่ที่พุทโธก็เพราให้มันนิ่งแม่มันคิดปรุงแต่งไม่มันมีอารมณ์ พอมันไม่ไม่มันไม่มีไม่มีอารมณ์แล้วก็ไม่ต้องพูดโทมันก็เน่งเฉยเฉยดูไปเจ้วค่ะหรือตอนนั้นมันถึงจุดเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจิตมันก็จะทําหน้าที่ของมันไปตามที่เราฝึกมันมาฝึกให้มันเฉยเพราะถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็เฉยไม่ไปเต่นเต้นตกใจแล้วค่ะแล้วการปฏิบัตินี้เอปกติโยมจะถอนทุก ทุกชั่วโมงคือนั่งได้ชั่วโมงเขาก็จะถอนออกมาแต่โยมคิดว่าชื่อน้อยเกินไปใช่ไหม<อ>ข้ณต่อไปเ<ะ>ข้าเข้าใหม่สลพุดโธใหม่เจ้าค่ะพอเข้าออกมาก็พุดโธใหม่เจ้าค่ะอแล้วก็เข้าไปรอบหนือ ม, มันดูหนังนะหนังหมดรอบนีนะ้แล้วเราก็ตีตัวใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่ตัวก็คือพุดโธพุดโธนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ถ้าเราเจ็บป่วยเนี้ย เราก็จะทําจิตําแบบผู้โธได้ตลอดเวลาแตเวลาเราเจอวิกฤตที่เราไม่คาดคิดเช่นเครื่องบินตกหรือโดนรถฝามาชนเนี้ยเจ้าค่ะเราควรทําจิตขณะนั้นอย่างไรเจ้าคะก็เฉยเหมือนตอนที่รถจะชนแบงนี้เจ้าค่ะเฉยเยมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันดูหนังเพราะว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแสดงจิตแบบเหมือ น, นคนดูหนัง ไม่ต้องไปตื่นเ<า>ต้น ต, ตกใจกับตัวแสดงคือร่างกายเจ้าค่ะจิตก็รู้เฉยๆร่างกายจะถูกร่ชนก็ปล่อยมันชนไปร่าง ก, กายจะตกเครื่องบินก็ปล่อยมันตกไปมันชนแล้วแล้วจิตเราดับป่ะเจ้าคะไม่ไดับจิตไม่มีวันดับจิตก็รู้เฉยๆอย่างนั้นถ้ามันถ้าเกิดเจ็บปวดอ๋อไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วไม่ต้องกลัวถ้าจิตเฉย ๆ, ยๆยไม่มีวันตกแล้ว เจ้าค่ะอไม่ต้องกังวลเนี่ยที่ปฏิบัติมาค่ายจิตมันเฉยเนี่ยมันก็จะไปอาริยภูมินั่นน่ะถ้ามันมันไม่ไปไบแลเจ้าค่ะจะทำต่อไปเจ้าค่ะเป็นคงที่สองที่ได้กราบเรียนพระอาจารย์แล้วมีกำลังใจในการปฏิบัติขอาใช่สองเครื่องเลยยมเห็นมีสองผาน เลเจ้าค่ะอย่างที่พี่เขาบอกทําให้โยมเลยมาหา iPad เปิดเจ้าค่ะเลยมีสองเครื่องโอเคโยมการสาธุสาธุปฏิบัติไป้ได้อๆฝึกจิตให้เฉยเนี่ยถูกต้องไหมนะเฉยกับทุกอย่างใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยแล้วถ้าเวลาจิตเราไหลเนี่ยเจ้าค่ะมันจิตมันไหลถ้ามันไหลก็ต้องใช้พุทโธให้มันไม่ให้มันหยุดไหลตักพุทโธเข้ามาใช่ไหมเจ้าค่ะเออ โอเคนะลาทุกจ้าล <Okay. S 2> าทุกคุณพัททอนกิตนะคุณพัททอนกิตใช่ไหมธรรมจักรครับธรรมจักครับอยู่ที่ไหนอยู่ปทุมธานีครับปทุมธานีครับไปบยังไงมีอะไรไหมอันนี้นั่งสมาธิประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีครับแต่ระหว่างนันสมาธิผมเปิด เ, เทป พ, พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังไปด้วยเนี่ย เอจะได้หรือเปล่าครับผู้จัดได้ถ้าเราถ้าเรานั่งแล้วมันไม่สงบเองก็ใช้ฟังเทศกล่อบใจไปก่อนก็ได้ครับแต่เวลาฟังเทศ ก, ก็ไม่ต้องไปพูดโทไม่ต้องดูลมนะก็เอาเสียงเทศเป็นตัวอารมณ์แทนครับไม่งัมันจะชนกันไหนฟังเทศด้วยแล้วพูดโทด้วยเนดะี๋ยวมันจะชนกันครับ ก, ก, ก็ลองดูว่าหลังจากที่มันสงบแล้วข่าวต่อไปเราฝ เรานั่งแบบไม่ใช้เทียนดูดูลงแทนดูครับผมแต่เวลานั่งแล้วเร า, เ, ราเ อ, อเมื่อยหลังนะครับเราก็พิจารณาว่าเ อ, อมันก็เป็นนิจกรรความเจ็บก็เป็นเรื่องนิจกรรมบ่อยมันเมื่อยไปไม่ต้องไปสนใจครับผมไม่ต้องไปขยับนั่งกายเวลานั่งสมาธิเวลาจิต น, นิ่งจิตสงบก็มันจะเมื่อยมันจะงอบ้างงอช่างหัมันไม่ต้องไปไม่ต้องไป เกี่ยวข้องกับร่างกายครับเราต้องการให้จิตนิ่งสงบไปนานๆ น, น, นะครับมีอะไรไหมประมาณนี้ครับไม่มีหละครับอาจารย์ได้ท่านต่อไปคุณเอกจากเชียงรายเชิญกลับนวัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไห่วันนี้ ออผม ก, กับรายงานเ อ, อการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เอหกวันก็อยู่กับเวทนาก็ปวดของเข่าก็สู้ไม่ไ ม, ไม่ไหวแต่แต่มีตอนเช้านี้ครับพระอาจารย์มันใจมันก็เริ่มที่จะเ อ, อเริ่มจะรู้หมายถึงแบบประมาณว่าจะรู้ทางละว่าเออมันมันไม่เที่ยงมัน มันไม่เที่ยงเป็นทุกนะครับอเออมันเป็นมันไม่ที่ย ง, งมันไม่ได้ปนอนตาครับไปสั่งมันไม่ได้ครับผมไปสั่งมันไม่ได้ก็อยู่กับมันได้จนจ น, จนครบชั่วโมงอะครับมันก็เบาไปก็เออก็มีกําลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับอาจารย์นั่นแหละสอนใจให้อดอยู่กับมันไปเมื่อมันไปแก้มันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเหมือนฝนตกไปฮะสั่งให้มันหยุดไม่ได้ก็ต้องอยู่กับฝนตกไปครับผม ก็คิดถึงคําที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนได้เทศไว้อ่ะครับก็ก็อยู่กับมันได้ฮะก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาเลยครับทุกครั้งก็กําลังใจก็หดหดไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังไงก็ต้องสู้สู้ให้มันรู้กันไปเลยอย่างเงี้ยครับอถ้าไม่รู้จะทําอะไรก็กลับมาที่สติก่อนก็ได้พูดโทพูดโทรกันครับตั้งหลักใหม่ก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันมีความสงบเพิ่มขึ้นนะครับพระอาจารย์ <ฮ>มันเหมือนกับที่ผมเคยเรียนกับพระอาจารย์ไว้ครั้งก่อนที่ว่าเอผมหาทางเข้ากลับบ้านเจอแล้วอย่างนี้ครับ <ฮะ S 2> อันนี้ก็เริ่มเริ่มรู้แล้วครับว่า อ, อ๋อมันมาอย่างนี้อย่างนี้<ช>แล้วถึงจะสงบไปอย่างนี้ยเริ่มเริ่มจําได้นะเริ่ม เ, เริ่มท<ะ>ี่ว่าครับผมอ<ช>คือลงแป๊บแป๊บหนึ่งก็สงบไปเลยอะครับเออถ่าหลังครับผมแต่ของผมของผมมันไม่บู้ปะฮนะมันค่อยๆลงไปครับพระอาจารย์อได้มีหลายแบบ บบครับก็ได ม, มีแบบค่อยๆลงไปเป็นขั้นๆก็มีครับผมบางบางวันก็บางวันก็เหมือนพระอาจารย์บอกเป็นภาพขั้นฮะบางวันก็มันก็จะมีเออาจะมีปิติก่อนฮะปิติหลังจากปิติไปก็จะเริ่มเริ่มไปแล้วก็จะนิ่งไปครับอืมบางทีมันถอออกมาก็ก็เห <kw. S 2> มือนกับพระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ฮะดันมันเข้าไปอีกแล้วก็ <ưng. S 2> ก็ลองดันมันมันก็เหมือนมีแรงดันเข้าไปอีกครับพระอาจารย์ก็ดันเข้าไปก็อยู่ <ừ. S 2> อยู่ก็อยู่ เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วก็วิทนาก็ก็มาฮะตอนตอนมันมาตอนต้นๆมันก็เรามีสติฮะมันมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับอาจารย์แต่ตอนหลังมาตอนที่มันเกือบจะครบสองชั่วโมงเนี่ยสติคงจะอ่อนไปนิดหนึ่งก็ที่เลนก็เลยมาต่อต้านความเจ็บครับผมก็ยังปัญญาสอนใจสอนใจให้หยุดกิเลสว่า มันเปนมันเป็นอนุจารมานัสตาเราไปควบคุมไปสั่งมันไม่ได้ครับผมแล้วก็หัดอยู่กับมันไปลองหัดอยู่กับมันไปพอต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเจ็บแบบนี้แหละครับผมครับผมถ้าใจเราไม่ทุกข์แล้วเราก็สอบไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยครับผมไม่ต้องกินยาแก้ป่วยก็ได้ครับผมก็ก็ ก็ลองทนอยู่เพราะว่าเอปกติก็จะปวดเลยถ้านั่งนานๆมันจะปวดไหล่ปวดอะไก็เมื่อก่อนก็แบบจะใช้ยานวดใช้อะไรแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะใช้่ครับก็ดามันเจ็บสดเด็ดเดี่สุดใช้ธรรมะโอสดเด็ดี่ยวครับผมก็ดูดูมันเจ็บไปดูเออไม่ได้เข้าสมาธิก็ดูมันเจ็บไปว่าอ๋อมันมันเจ็บแค่กายอย่างเงี้ยครับก็ดูดูมันไปก็ฝึกฝึกมันไปครับแต่ก็ไม่ยความว่าไม่ให้รักษาร่างกายนะถ้าถ้าต้องรักษาก็ต้องรักษานะ ครับผมก็รัก้ัาย้ก่อนนะถ้ารักษาให้มันหายได้ก็รักษาแตถ้ารักษาให้หายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปอ๋อครับผมครับผมไม่เปทุกข์กับมันครับผมโอเคมีเท่านี้ใช่ไหมคุณเอกเออมีแค่นี้ครับขออาจารย์มีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับอาจารย์ก็ทำต่อไปอย่าท้อแทบเบื่อหน่าครับผมต้อง้ปฏิบัติของเรามันสม่บเสมอนะ อยากไม่อยากปฏิบัติถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติไม่ได้ผลถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติอครั บ, บผมการปฏิบัติของเรามันยังไม่แน่นอนผลมันยังไม่แน่นอนบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่การปฏิบัติทั้งนี้ต้องแน่นอนต้องสนับเสมอครับผมก็ก็ทําทําทุกวันนะครับพระอาจารย์ก็ทำทุกวันถึงเวลาก็กินประมาณกินแล้วไม่อร่อยก็กินใช่ไหมราะว่ากินแล้วอร่อยก็กิน บางวันอยากกินบางวันไม่อยากกินก็ต้องกินอะครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับพระอาจารย์ผมน้อมนำไปปฏิบัตินะครับและขอบคุณทางทีมงานด้วยนะครับทางคุณบอยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสาทุครับท่านต่อไปคุณกา l ล x กซี่ S10 คุณออมใช่ไหมนี่ชื่อะที่จากแมริแลนด์ใช่ไมกลซี่ S10 เนี่ยเดียนะฮะอาเปิดไม่เจ คุณอ้อมพูดได้เจ้าค่ะการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากแมรี่แลนด์ยุยเซชใช่ไหมใช่เจ้าค่ะชื่อคุณออมใช่ไหมอ้อมใช่ไหมใช่ใช่เจ้าค่ะโอเคมีอะไรหมอ้อมโยมก็อ่อปฏิหน้าตอนนี้โยมนั่งสมาธิกลับมานั่งสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์วัวไปนานเลย กลับมานั่งพอกลับมานั่งก็แรกแรกก็เจ็บค่ะพระอาจารย์เจ็บเจ็บไปหมดอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วพอนั่งต่อไปมันก็หายเจ็บอะค่ะแต่มันก็นิ่งอยู่อย่างงั้นนะพระอาจารย์เออดีแล้วแหะให้มันนิ่งอะเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เให้เจ็บมันนิ่งใช่ไหมเจ้าคะพระอาอจารย์แต่ก่อนโยมันจะมีแบบว่าสบายหน้าแล้วสบายแล้วมันก็มกัตกบุก แล้วก็มืดปุ๊บอย่างเงี้ยมันมันเคยมีนะเจ้าค่ะเออดีอ๋อแบบนี้ดีใช่ไหมเจ้าคะา่ะภาจารย์ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องเจออะไรนี่ก็นี่ไม่ต้องเห็นอะไรไม่ต้องไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่ต้องเห็นกรรมแล้วลชาอะไรไม่ต้องอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับความว่างให้มันนิ่งเฉยเให้มัน ไ, มไปดู<ไ>ป<ะ>เบออเอเจ้าค่ะเพราะบางครั้งก็เมียดถอน ตัออกจากสมาธิแต่บางครั้งก็เบื่อพคพระอาจารย์เพราะว่าถ้า ถ, ถ, ถอนออกมามันก็เจ็บเหมือนเดิมอืแต่ถ้าอยู่ต่อมันก็นิง่งนิ่งจนเบื่อนิ่งจนเบื่อพรอาจารย์นิ่งจนกว่าจ เ, เบื่อก็ค่อยออกมาก็แล้วกันอ๋อใช่ไมเจ้าค่ะพรอาจารย์แล้วมีมีอะไรที่ มีอะไรพระอาจารย์แนะนํำไหมคะพระอาจารย์ออเวลาออกมาก็ลองคิดทางปัญญาว่าร่างกายของเราไม่เทีย่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมด า, เ, าเราต้องพอากจากกันจากของรักของจรรใจทั้งหลายทั้งปวงไปสอนใจให้รู้ความจริงของชีวิตชีวิตของเราในในที่สุดก็ต้องทิ้งหมดอะไรไปไม่ได้นอกจากผลของการปฏิบัติที่เราได้จากการปฏิบัติเท่านั้น ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็รู้สึกแบบปื้ม อ, อกปื้มใจตัวเองว่าโอ้ดีนะความเจ็บนี้มันมาทำให้โยมได้เรียนรู้ของการทำสมาธิในเจ้าค่ะเห็นคณค้าคนประโยชน์ของการฝึกสมาธิว่าทำให้ใจ<ค>เราไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บต่อไปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยแบบ ม, มันมันมี มันเจ็บในการนั่งสมาธิแต่มันก็สุกในการนั่งสมาธิอีกทีมันมันมันผสมเพลิมเพ ล, เพลกันนะพะอาจารย์ได้ดีอืมแค่นี้เลยค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจุดติดตอ่อคุณจิ๊บบ้างไหมบาติดตอ่อค่ะเดีช่วงนี้พี่จิ๊บเขายุ่งเจ้าค่ ะ, ะเขายุง่งเขาบอกไปเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเข้ า, ขามาเห็นเข้ามาใช่ค่ะ โทรโไปยมโทรไปครั้งสัปดาห์ที่แล้วพี่เจพร่อาจารย์ถามหาแกรีบมีโู้เลยพวกนี้มึรว่าพี่เรื่องอะไรเงี้ยเขายุ่งเจ้า่ะโอเคเอาจ่านี้ก่อนแน่ๆคุณจีอยู่ข้างล่างทักทายกันองนี้ผม <c oughs> ล่างนี่เเอาเจ้า่าคุณ <c oughs> สัาทต า, <c oughs> าเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวคุณสุภาาัตารอแป๊บนึงให้คุณแม่งก่อนนะ ีคุณแม่งกลับเข้ามาแล้วอ่เราน้องเปิดไม้ใหม่ให้คุณแม่งอ่จาจันทรุเลเราได้ยินเสียงแล้วทีนี้กลับมาร ก, การหลวงตาครับเออมีอะไรไหมคือผมอยากถามหลวงตาเวลาผมทําสมาธิอย่างเงี้ยหลวงตาเวลามันลงรวมปุ๊บมันวูบลงไปแล้วมันลงไปแบบเหมือนว่ามันเลยเลยตัวลงไปทะลุเออไม่เป็นไรแล้วมันจะไปถึงไหนก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็แล้วมันถึ มันไปนิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับออานั่นแหะก็คือสมาธิไงสมาธิก็คือความนิ่งความตั้งมั่นของจิตมันไม่มีปัญญามไม่เกิดปัญญาไม่ไปหวังจะเห็นนู่นเห็นนี่ไม่มีอะไรให้เห็นมีแต่ความนิ่งอุบเบกขาสักแต่ว่ารู้มีความสุขนั่นแหละคือสมาธิแล้วคนทำไงกับมันต่อก็พยายามให้มันนิ่ง น, นานๆเราต้องการฝึกจิตให้มันนิ่ ง, ใ ห, งให้มีอุบเบกขานานๆ อย่าปล่อยให้มันออกมาถ้ายัางบังคับให้มันอยู่ข้างในได้ก็บังคับมันต่อไปอ๋อควรจะบังคับให้มันอยู่<ต>อย่างนั้นใช่ไหมนั่งนานๆนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโๆได้ยังดีอืแต่ถ้าแต่ถ้าผมทำแบบนั้นถ้าถอนออกมาเร็วๆเลยแบบปลืมตาขึ้นมาเลยเนี่ยผมจะเป็นแบบเสื่องซึมๆยังไงไม่รู้ครับต้องค่อยๆ<อ>ถอนผมสังเกตดูแล้วก็คือแสดงว่าสติเรามันไม่ไม่ไม่ไม่ไหวออก ก็เลยต้องค่อยๆถ อ, อนออกมาครับได้วิธีไหนก็ได้แต่ค่อยมีสติก็แล้วกัน ม, มีสติไม่มีความรู้รับรู้อยู่ว่าคนนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังถอนออกมาจิตกําลังถอนออกมาก็มาสู่ที่ร่างกายกําลังจะลุกกาลังจะยืนกําลังจะเดินให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา ควรจะทําอย่างนั้นไปเรื่อยใช่ไหมครับให้มันยิ่งยิ่งนิ่งยิ่งนานยิ่งดีใช่ไมครัใช่ใชยิ่งนานยิ่งดีเพราะอันนี้ตัวที่จะทําให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆได้ผ่านความทุกข์ต่างๆได้เวลามีความทุกข์เราก็จะเฉยๆได้ไม่ไปวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเวลามันถึงขนาดนั้นแบบว่าร่างกายเนี่ยมันแทบไม่รู้สึกแล้วครับใช่ลมหายใจอาจจะหายไปไหนก็ได้ ครับรงหายใจเหมือนว่ามีแต่มันเข้าออกรู้ว่ามีแต่มันไม่ไม่ไมเจอไม่รู้สึกแค่นั้นให้นิ่งให้ลึกที่สุดที่เฉยอย่างนั้นใช่ไหมครับให้ น, น, นานๆเป็นเชื่อมองได้ยิงดีคขอบคุณมากครับโอเคครับท่านต่อไปคุณสุภัทธาจากด a l l ัสเ e x a ซ USA เช่น นมธรรมมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นไงสบายดีไหมอาทิตย์นี้สบายดีเจ้าค่ะก็ฝึกพยายามฝึกต่อเนื่องเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็ฝึกอไรฝึกสติฝึกสมาธิหรือก็ทั้งทั้งทั้งหมดนะคะก็ท si ้ birthday, ้งหมดนะค่ะประจำวันก็สติแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็เข้าไปนั่งฝึกสติต่อสมาธิด้วยฟังเทศด้วยสวดมนต์ด้วยนะเจ้าค่ะ ก, ก็ทําอย่างนี้เจ้าค่ะพยายามทําทุกวันยกเว้นเสาร์วัอาทิตย์ให้เวลากับครอบครัวเจ้าค่ะ <Yeah. S 2> จันถึงสูงก็ถือว่าเป็นงานแต่ก็ยังยังไม่รวมอ่ะเจ้าค่ะแต่ลูกก็พยายามคือมันมีความคิดแต่ลูกคิดว่าก็ต่างคนต่างอยู่อ่ะเจ้าค่ะความคิดเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่กับพูดโธรไปอ่ะเจ้าค่ะได้ไหมเจ้าค่ะได้ๆ yeah, yeah. ล้วก็อยู่พูดโธรไปมันจะคิดก็ห้ามไม่ได้ก็ปล่อยมันคิดไป เจค่ะ ก, ก็เห็นเห็นเขาลอยไปลอยมาแต่ว่าก็ก็ต่างคนต่างอยู่ไปต่างคนต่างทําหน้าที่ของของตัวเองไปเจ้าค่ะได้อย่ายไปคิดกับเ้าแล้วกันเวลาเขาคิดแล้ว็เขาชวนเราคิดเราก็อย่ายไปคิดกับเขาแล้วกันแล้วค่ะบางทีก็มีหลุด<ๆ>แล้วก็ดึงไงเจ้ค่ะเราอย่าทิ้งพุโทโธแล้วก็อยู่กับพุโทโธกอเต็มของพุทโธไปอย่างเดียวเจ้าค่ะ แล้วก็อย่างฝึกสติก็ก็อย่างเนี้ยเจ้าค่ะก็ดูกายบ้างแล้วก็บางทีถ้าถ้าไม่อยู่กับกายก็จะพยายามดึงพุโทโธเข้ามาสลับแบบเนี้ยเจ้าค่ะได้คอยควบคุมจิตมาให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ลอยไปในอดีตไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันเจ้าค่ ะ, ะเจ้าค่ะลูกก็พยายามพยายามฝึกเจ้าค่ะพยายามฝึกเจ้าค่ะวันนี้มีคําถามอะไรไหม ไม่ไม่มีเจ้าค่ะก็รายงานรายงานไปก็บางทีก็เห็นความคิดมามามายัา่วเจ้าค่ะมายั่วให้เราแบบให้เราแบบโมโหบ้างให้เราฟุ้งซ่านให้เรากังวลบ้างแต่ก็เดี๋ยวนี้ชินนะเจ้าค่ ะ, ะเห็นมันมาก็โอ้เดี๋ยวมันก็ไปก็ก็เลยไม่ไลยยุ่งกับเขาอดีตจำสเปสังขารานิจ่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะจบบางห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้าาที่มันจะมาก็มาปล่อยมันมาปล่อยมันไป เราอย่าไปคิดกับมันก็นแล้วกันเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะสาูุเจ้าค่ะรูปไม่มีอะไรเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําสั่งค่ะท่านต่อไปคุณเบนดินไทยคุณเบนต้องใส่หน้ากลากด้วยเหรออยู่คนเดียว <c oughs> กับการนมัสกา ร, รพระอาจารย์นะคะ อ, อการนมัสกา ร, รพระอาจารย์ อ, อว่าไงมีอะไรไหมเข้าครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกเข้ามาครั้งแรกอยู่ที่ไหน อ๋อชนบุรีค่ะศิลชาชนบุรี <Okay. S 2> ค่ ะ, ะได้เป็นไรมีอะไรไหมอ๋อวันนี้วันนี้เข้างานก็มีมีเรื่องจะสอบถามท่านพู้อาวจารว่าคือถ้าสมมติอย่างหนูเนี่ยเข้างานกลางคืนมันจะมีวิธีการไหนวิธีการไหนที่จะแบบว่าใช้ธรรมะเข้าเข้าแก้ไขในเรื่องแบบว่าอาการง่วงหนาวหาวนอนอย่างเงี้ยนะคะลกาเคมาเดินเลยเดินอย่างนัน ค่ะลุกมาเดิน<ม>เดินไปเดินมาแล้วก็พูดโทรไปมีสวดมนต์สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้เดินไปก็สวดมนต์ไปก็ได้หรือถ้ายัางง่วงก็ไปลุปเอาน้ำรูปรูปหน้าลูปตาก็ได้เอาน้ําเย็นลูปหน้ารูปตาหน่อยก็ได้แต่ถ้ามันยังง่วงจริ ง, รงๆก็ต้องนอนเนี่ยถ้ามันร่างกายมันถึงเวลามันก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนบ้าง ค่ะถ้าเราตอนกลางคืนตอนกลางวันเราก็ต้องนอนเยอะๆมั้ยจะได้ไม่ง่วงตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางวันกลางวันจะนอนยากนิดนึงเพราะว่าเวลาเวลาตัวเองนอนเป็นเวลาที่ชาวบ้านเขาตื่นกันหรือตัวเองก็เข้างานกลางคืนอ่าก็ต้องฝึกไปต่อไปมันก็มันก็เข้าเข้าร่องเพราะรอยองถึงเวลามันง่วงมากๆคนหนึ่งเขาจะทําอะไรเราแค่หลับของเราปุ๋ยได้ไม่เดือดร้อนค่ะ เ อ, อมีมีเรื่องมีเรื่องสอบถามเรื่องหนึ่งค่ะว่าเวลาเวลาเรานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอเราออกจากสมาธิคือตัวมันจะรู้สึกว่ามันเบาๆมันเกิดจากอะไรอะครัอาจารย์จิตมันเบาไงมันก็แล้รู้สึกเบาค่ะไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรหน้าหน้ามิตตงในความรู้สึกของจิตมันก็ทําให้รู้สึกทําให้เป็นคิดว่าร่างกายเบาร่างกายมันก็เท่าเดิมกี่กิรลมันก็เท่านั้นนะ ไม่ใช่นั่งนั่งสมาธิแล้วลดลดน้ำหนักได้ก็ดีนะค่ะบค่ะรู้เฉยๆรู้มันเป็นความรู้สึกแต่ไม่เทียกลมันก็ผ่านไปมีอะไรอีกไหอ๋อไม่ไม่มีแล้วค่ะพอาจารย์ขอบคุณสำหรับสาหรับสมะดีๆอาจารย์ติดตามตลอดค่ะค่ะท่านต่อไปพวกใบหยกภูผามุกไม ได้ยินไหมไปไหนกันเด็กสามคนเด็กชื่อใบหยกภู ผ, ผามุกหมายถ้าไม่มาเดี๋ยวจะข้ามไปก่อนนะอไปที่คุณจอยก่อนนะคุณจอยคุณจอยก็อยู่ที่พัทยานี้ใช่ไหมชิงเทรีอยู่พัทยาค่ะอพ่พรุ่งนี้จะไปใส่บาดอยู่ค่ะพรุ่งนี้วันพระไใช่ค่ะาพาเด็กๆไปก่าไปไทรบาที่ เมื่อกี้เขาถามพาแต่ว่าไปเล่นแล้วค่ะไปเล่นแล้วโอเคค่ะเราคจอยเมย์ะไรจะถามไหมก็เขาอยากจะถามก็คือแบบคนเราควรพิจารณาความไปแบบทั้งวันเลยหรือว่าก็บ่อยๆกันดีจะได้ไม่หลงไม่เลินจะได้ปองได้จะได้ไม่ลโลกอยากได้นูน่นอยากได้นี่พ อ, อมันปองตายแล้วทีมันก็ไม่อยากมันเบื่อทางโลกค่ะถ้ามันเบื่อก็ต้องหยุดปองหยุดหยุดหยุดพิจารณา ก็บางทีมันพิจารณามากไปมันกินยาแล้วมันแสลงไงพิจารณาเพื่อหยุดความโลภความความกลัวตายแต่ถ้าพิจารณาแล้วทำให้เราเบื่อเนี่ยแสดงว่าพิจารณามากไปหยุดอ๋อต้องกลับมากลางกลับใหมพุทธามาอกรรมมาพุทโธกามาให้จิตเฉยเฉยไม่เบื่อไม่เบื่อะไั่เบื่อไม่ จะทําไปทําไมเดี๋ยวก็ตายกรหมดแล้วจะทำเหี้ยมีชอบคิดอย่างนี้ค่ะได้ได้มันทําให้เราโกรธระงับความโกรธได้คิดได้อ๋อก็คือก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้มันเป็นเหมือนยาอะยามากินกินมากไปมันก็ทําให้แสลงแพร่ยาได้ได้าเกิดอาการแพรยาก็ต้องอยู่อะ เดี๋ยวคนนี้หลบนอนนะพรุ่นี้เช้าจะได้ เ, เกิดกระเช่าไปใส่บาตรได้นะไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์โอเคอ่ะสาธคาุคุณที่วาต่อเลยคุณท่วาอยู่ที่ไหนช่วแจ้งให้ทราบด้วยอยู่ที่จังหวัดไหนทำพิธีรำเจ้าข่าพะอาจารย์พูดดังหน่อยนะอยู่ที่กรุงเทงพค่ะอาจารย์อยู่กรทมคุณที่ว่าอยู่กรทมมีอะไรไหม ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์แค่ได้มากราฟอาจารย์ก็ดีใจแล้วค่ะโอเคเรังไปได้เลยน ะ, ะคุณวาริศวาริศก็อยู่ที่กรทมใช่ไหมวาริศครับผม<อ><อ>นักมการหลวงพ่อครับมีอะไรไหมประมาณสาอยากถามว่าการที่เราบอกว่าย้ำนัปิดเล็กน้อยเพื่อรักษาคุณธรรมที่ใหญ่กว่าในทางศาสนาพุทธการอธิบายยังไงครับไม่มีเลย ศาสนาหุ้นห้ามละการกระทำความผิดทั้งปวงการการกระทำผิดไม่ได้รักษาความดีได้ต้องเอาความดีรักษาความดีพ<ม><ะ>ระเจ้ า, จาสอนให้ละการกระทำผิดทุกประการอ๋อเพราะพิมพเกิดคําถามเอแบบเพราะเราไม่ศึกษาคําสอนจะย่างไงให้ละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายถึงพ่อ ช น, นระจิตใจให้สะาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระ อ, องค์นี่อะไรครับ <Okay. S 2> น, นี่คือการตอบแทนพระคุณพ่อแม่มันควรจะตามใ่พ่อแม่หรือว่าควรยังไงอ่ะเออมันก็เป้าหมายหลักก็คือให้พ่อแม่สุขสบายเบื้องตง้นก็ตอบแทนด้วยปัจจัยสี่ ให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีเหมือนเราถ้าเราอยู่ดีกินดีแล้วปล่อยให้พ่อแม่อดอยากนี่ก็ไม่ถูกแล้วส่วนเรื่องถูกใจไม่ถูกใจนี่ต้องดูเรื่องว่าเป็นเรื่องขัดกับหลักธรรมหรือไม่ถ้าเขาทําแล้วขัดกับหลักธรรมแล้วทำให้เขาสบายใจก็ไม่ทําได้เช่นถ้าเราไปขโมยของนี้มาให้เขาเนี้ยแล้วเขาจะได้สบายใจเราทําไม่ได้เราขัดได้ี้ ให้เราไปมีแฟนแต่งงานแล้วก็จะสบายใจแต่เราทุกข์นี่เราก็ไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าการมีครอบครัวมันเป็นทุกข์เข้าใจไหมต้องดูเหตุผลดูเหตุดูเหตุผลของการกระทำว่ามันมันถูกหลักธรรมหรือไม่ขัดกับหลักธรรมก็อย่าทำหนึ่งัม่เขาจะสุขแบบ่เพราะพระพุทธเจ้าไปบวชที่พราอกรทุกนี่ใช่ไหม แล้วก็ไม่ทันหลักธรรมเป็นการไปบวชนี่เป็นการกระทําที่ดีที่ถูกต้องวันนี้อ่านเพจของพระอาจารย์เพจภาษาอังกฤษธรรมะฟว้าคิ้งที่บอกว่ามีโยมมาแสดงความเสียใจตอนโยมแม่พระอาจารย์เสียแล้วก็เห็นโตดเห็นพระอาจารย์อธิบายว่าอยา่างไ้่แค่เปลี่ยนภพภูมไปร่างกายใหม่ก็หาที่เกิดใหม่อะไรอย่างงี้ยร่างกายเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งจิตเป็นเป็นเหมือนร่างกาย ต้องคอยเปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายอยเรื่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เรื่อยๆเรื่อยเปลี่ยนนออยู่เรื่อยๆร่งรางกายเป็นเหมือนนอดพาจิตใจไปไหนมาไายได้อ่านอ่อนโยนโยมให้พระอาจารย์ก็แบบไปสงบเลยใช่ไหมครับพระาจเออเขาก็นอนหลับไปก็หมดแรงไป อ, อายุเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าสิบสองตอนนี้เชียร์อยตอนนี้คื อ, อปานามาใช่ไหมครับเลยทาให ไปสบายใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่จิตของแต่ละคนไม่รู้จะเรื่องเรื่องกรรมของบุญกรรมของแต่ละคนโอ้โหแล้วยังเป็นท่าร้านบางคนยังถูกอาฆ่าตายกันีลยพระโมกกาลานะว่าถูกฆ่าตายเป็นเรื่องของบุญของบาปสรุปนะครับถ้ามีคนมาถามว่าความหมายของชีวิตคืออะไรคนตอบอยังไงในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนครับชีวิตก็คือความเจ็บกันเอง เกิดก็ทุกข์การก็ทุกข์อยากก็ทุกข์ตายก็ทุกข์นั่นคือความาของชีวิตทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากเกิดเพราะเป็นคําถามที่นักปราชญ์หลายท่านนี่แบบมีตีความเยอะมากเลยครับคําถามนี้ก็เลยเอออแบบพระอาจารย์นี่ก็เลยครับ โอเคนะหมดแล้วใช่ไหมขอจังขอจัรักษาสุขภาพด้วยครับหลวงโอเคอ่าเชิญเดี๋ยวกลับไปกลุ่มใบหยกภูผามุกไม้เปิดใหม่้ามาพร้อมกันหรือยังสามพี่น้องครับสวัสดีค่ะเอยไม่ใช่นวำมศการเจ้าค่ะน้ำมศการเจ้าครับอีกสามคนยังยุ่งอยู่ครับเลยพระอาจารย อยู่ที่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่กอธรรมอใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าค่ะมีอะไรจะถามไหมวันนี้มีอะไรจะพูดไหมอ๋อก็คือว่าหนูกำลังจะติวสอบเข้ามอหนึ่งนะคะที่โรงเรียนประดินเดชาค่ะแล้วทีนี้อ่ะหนูเป็นคนหัวช้าค่ะเข้าใจคณิตศาสตร์ไม่ค่อย ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนบ่อยๆต้องขยันเรียนบ่อยๆติวบ่อยๆให้มันชานาญนั่นเดี๋ยวมันก็จะเร็วเองแล้วทีนี้พอพอมันทําไม่ได้มันก็เลยท้อค่ะแล้วมันเป็นบ่อยมากเลยะค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยนั่งสมาธิไม่ติดเพราะว่าฉันยังทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแลต้องทําจนกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความคิดของหนูในตอนนั้นก็เลยไม่มีสมาธิค่ะ ต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นพยายามดูหนังสือได้มากมาอตรงไหนที่เราช้าเราไม่เข้าใจเราต้องดูบ่อยๆเราเดี๋ยวก็จะเข้าใจแล้วก็จะเร็วเอง อ, อย่าขี้เกียจอย่าโมไปเล่นเกมไปทำอะไรอย่างอื่นพาเวลามาดูหนังสือเยอะๆนะค่ะสาธุเจ้าค่ะมีอะไรไหมท้องคุณแมมีอะไรไหม เมื่อกี้ผมนั่งแล้วก็หลับไปเลยอ่าดีหลับไม่เป็นไรดีกว่าเป็นเลงไปเล่นไปนทําอะไรให้คนอื่นก็เดือดร้อนนะนั่งแล้วหลับก็ดีนั่งแล้วหลับป่ะครับเลงอ่าดีอ่าเวลานานไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้เดี๋ยวก็หลับไปอเออานนะ อีท่านนี้ชไหมเดี๋ยวรอแม่กับ น, น้องก่อนครับอ่าเดี๋ยวต้องรารอบหน้าก็แล้วกันครับครับครับขอบคุณเลยครับคุณสงการอยากอยู่ที่ไหนคุณสงการเชิญผมเป็นคนลาวครับอตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ประเทศลาวประเทศลาวเมืองอะไรเมืองสุขุมมาแขงจัมปาศักจัมปาศักดีอะไรไหม มีคำถามไหมไม่มีขอลบอเ้ามาฟังบ่อยไหมเพิ่งเพิ่งเข้ามาเห็นเห็นเขาแช่เพิ่งเข้าม า, า, มาแล้วฟังรู้เรื่องมั้ยตังรู้ครับครับยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีต้อนรับมาจากประเทศเราว ครับ ถ, ถ้าไม่มีอะไรไปที่ท่านต่อไปนะโอเคคนชีวินต่อเลยคนชีวินอยู่ที่ไหนครับสวัสดีพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนคนชีวินโ อ, อยู่บ้านอำเภอทํางานอยู่บ้านอำเภ อ, อ, อบ้านอำเภออยู่วาริตาครับอ๋อวาริตาที่บอกว่าจะไปบัว น, นี่เหละใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปใส่าบาตรพระอาจารย์ครับใส่ที่หน้าโรงแรมเลยใช่ครับผม พอดีใกล้ๆวันกับบ้านทุกทีแล้ครับตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้ไมได้ปวดนะครั บ, นนรบเพราะว่าผมน่าจะพอดีอ่าตรงจังหวัดผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับที่แถวบ้านมีสำนักสงฆ์ครับผมมีสำนักสงฆ์มาสร้างใหม่ประมาณใต้ประมาณสามสี่ปีหละครับพอดีมันเป็นอ่าเหมือนท่านมาสร้างเป็นวัดป่าเลยครับแบบวัดยานเลยครับ เดไ<บ>ดเดอดผมก็ว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ว่าจะไปขอบวชที่นั่นนะครับแต่ว่าจะบวชที่ที่หมู่บ้านของตัวเองนะครับแต่ว่าว่าจะไปขออยู่ที่วัดป่าไ ด, านนได้ได้ได้ได้ปฏิบัติถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่วัดป่าจะไม่ได้ปฏิบัตินะใช่ครับแต่ว่าไอ้ทางทางพวกญ า, ญาติเขาถามมาว่าทําไมไม่บวชที่วัดบ้านตัวเองเพราะว่าจะได้ยายจะอยู่บ้านนะครับพอดีจะได้สะดวก ให้ยายไปใส่บ ง, ใ ส, บงใส่บาตรนะครับอ๋อไม่ได้บวชให้ยายใส่บาตบวชเพร่อปฏิบททัติธรรมบอกเขา้าใชครับผมก็ผมก็ยืนยันว่าจะไปบวชที่วัดป่าเออก็ยิยายก็มามาที่วัดได้เลยเจ้าอ่มาให้ขับรถมาที่วัดได้มาได้ครับแต่ว่ามันก็จะไกลาจากวัดแถวบ้านกว่าหน่อครับ ก, ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาก็ได้ใส่ใส่บาตกับภาพลูกอื่นทานก็ได้เหมือนกันครับครับผมครับผมว่าไม่มีอะไรนะครับผม แได้งน้นไปที่ท่านต่อไปคุณปรางเมื่ไรจากตอนนี้อยู่บ้านอำเภอใช่หไหมชลบุรีตอนนี้อยู่ที่บ้านศรีราชาแล้วค่ะศรีราชาครั <S <S 2> <S 2> บงตั้งแต่ถึงที่ทางานแล้วขับรถ แ, แล้วก็แล้วก็แอบขอโทษนะคะถบารับประทานอาหารแล้วก็เสร็จนลคะฟังมาโอ้เหน่อยสองเกือบสองชั่วโมงอะไรเงี้น <S 2> <S 2> <S ยงงน่นยาจะ ขับรถจากบ้านอำเภอไปศรีราชากินข้าวเย็นเสียน่าสบายนะขอพระอาจารโทษค่ะเขาไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเราเรื่องของคุณก็จะมาแจ้งพระอาจารย์ค่ะหลังจากที่พยายามปรับตัวเองนะคะพระอาจารย์ก็คือไปทําบุญที่วัดได้เจอพระอาจารย์ได้ตักบาตกับพระอาจารย์ในทุกในทุกเช้า่ค่ะมันทำให้โยมมีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมอืมดี ต้องเข้าวัดบ่อยๆจะได้มีมีสิ <frick S 1> ่งปลุกใจเข้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะใจจะมีความกระตือรือร้นนะค่ะถ่ายภาพพระอาจารย์ถ่ายภาพตอนทำบุญไปหลอกแม่ด้วยเจ้าขาเพราะว่าก็เคยเคยเรียนแจ้งพระอาจารย์ว่าจะให้แม่ท่านเข้ามาฟังธรรมก็ส่งลิงก์ของพระอาจารย์ไปตอนนี้ก็ แม่เขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเดินทางได้แล้วแม่มาแม่จะอยากมาเจอมาไหว้พระอาจารย์บ้านได้ไสะดวกเมื่อไหร่ก็มาได้นะแต่ค่ะมีอะไรไหมมีคถามอ่ามีคําถามสําหรับสามีเจ้าคะ่ะสามีเป็นชาวคริสต์นะคะและทีนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งจะได้คุยกันเขาเขาบอกว่าบางทีสวดสวดพูดตามตามโยมอะคะ่ะบางทีก็สวดคริสต แล้วเขาก็สับสนเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่เป็นคนพุทธโยมก็เลยบอกว่าจริงๆพระอาจารย์สอนอยู่แล้วว่าการสวดไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันช่วยแค่เตือนสติเราเฉยๆโยมก็บอกว่าสวดก็สวดไปก็ตามคริสต์แบบไหนก็ตามไปทําใจให้เป็นอุเบกขาเพราะเขาอะกลัวว่าสวดไปแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะโกรธหรือว่าพอสวดพุทธแล้วจะมีปัญหาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ ยมก็เลานขอคำถามไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นเป็นการคําสอนของศาสตร์แต่ละศาสนาศาสนาบางศาสนาเขาก็ไม่อยากให้เราไปยุ่งกับศาสนาอื่นเขาก็เลยห้ามอย่างศาสนาคริสต์ที่เขาบอกว่าห้ามบูชาผู้อื่นนอกจากพระเจ้าเพียงองค์เดียวเ ร, เ, ยรเราเคยเราเคยเรียนตรงเรียนคิดมาเรารู้คําสอนของเราดีเพา เขาต้องการใหเ้เขาต้องการให้เป็นคิดไปตลอดนี่นั้นแต่ความจริงการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้ไว่าเหมือนไหว้พระเจ้าอันนี้เป็นว่าเหมือนไหว้ให้ความเคารพครูบาอาจารย์ซึ่งเราก็ไหว้คนอยู่ใช่ไหมไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์นั้นการมากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้เป็นการไหว้เหมือนไหว้พระเจ้าเห็นจะก็ไม่ถือว่าผิดคําสอนเพราะว่าคำสอนบอกอให้ละ ใ ห, ให้ไหว้พระเจ้าองค์เดียวก็ว่าพระเจ้าองค์เดียวงเขาไปสมทบพุทธธรรมพระสองนี่ไม่ได้เป็นพระเจ้าแล้วเข้าไปไหว้เหมือนเป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วเขาก็แอบฟังแอบฟังเพราะว่ายโยมอชอบเปิดชอบเปิดคลิปพอาจารย์แล้วเขาก็แอบฟังตามโยมก็สอนเขาไปด้วยเจค่ะเขาก็อโอเคโอเคอเขารั บ, เ ข, รบเขารับฟังค่ ะ, ะจิตใจเราเป็นเหมือน เป็นเหมือนเด็กเล็กเล่นศาสนาเป็นเหมือนโรงเรียนนคนอย่างเรียนที่อัดสามอีกคนนย่งเรียนที่ที่จุฬาอันี้มันก็คนละสถาบันเขาก็มีการสอนที่แตกต่างกันไปบ้างแต่โดยหลักก็สอนเหมือนกันสอนให้เป็นคนดีสอนให้ทำบุญทำทานสอนให้ร่ำสาสีสอนให้ฝึกสมาธิของเกดเขาให้ฝึกด้วยการร้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราก็สวดมนต์มันก็เมี ก็เหมือนกันลูกสาวไปไปร้องเพลงที่โบสถ์แล้วก็ค่ะ อ, อันนี้เวลาก็มีปัญหาลูกลูกเอ่อโยมก็ไม่สามารถที่จะสอนเขาได้เพราะว่าโยม ก, ก็จะเอาหลักของพระ พ, พุทธพระพุทธะมาสอน เ, อเขาก็จะสับสนแต่ลูกแต่โยม ก, ก็เลยบอกว่าเอาทางคริสต์เน่ยเขาบอกให้ทํายังไงแล้วดีก็ทําไปเลยแ ม, แม่แม่ไม่มีปัญหาก็คื อ, อให้เป็นคนดีเท่านั้นใช่ไปรักษาศีลให้ตะมุนตะมาน ให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกันศึกษาศาสนาสอนเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าลึกซึ้งมากที่สุดก็คือของพระพุทธศาสนามีเรื่องของปัญญาที่ที่เลึกไปกว่านั้นนะแล้วนี้ก่อนนะมีอะไรไหมขอบคุณจ้คะก็เรียนทำจากทางคําถามจากญาติธรรมท่านอื่นด้วยค่ะแล้วจะได้คําตอบให้ไวแล้วจ้าค่ะได้ดีโอเค คุณวิทูนตอนนี้อยู่อยู่ที่เชียงใหม่ใย่ไหมควิทูลมาสการพระอาจารย์ครับอยู่เชียงใหม่ครับพระอาจารย์ครับเป็นศิษย์บัรฑารจะเป็นเด็กวัดมาก่อนครับรศริรษย์บัณฑา ร, รมารายงานตัวพระอาจารย์แล้วก็ที่สําคัญคือต้องขอบคุณญาติโยม <c oughs> ก็ได้ความรู้ไป มาปรับใช้นะครับพระอาจารย์ส่วนตัวของเองก็ยังก็ยังขอฟังรายงานตัวพระอาจารย์เร <Okay. S 1> ิ่ <c oughs> ฟังไปก่อนแล้วกันนะครับขับ <Okay. S 2> ัญญุกพราจารย์ท่านต่อไปคุณนิงคุณหนิงหรือคุณนิ่งอยู่สุโขทัยใช่ไหมผ่านเปิดไมค์ก่อนอันนี้ นามสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ชื่อนี่กชื่อได้ได้ยินไหมคะได้ยินหนิงเจ้าค่ะใช่ชื่อหนิงค่ะชื่อหนิงค่ะจากฟูโทาชใช่ไหมจากฟูโฟทาเจ้าค่ะอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็เข้ามาท้ายๆเลยเจ้าค่ะก็หนูจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะพอดีว่าอาหนูฟัง ออ่ า, อาพระอาจารย์ที่ที่เป็นค า, ารวาล่ะค่ะท่านก็พูดเกี่ยวกับเมตตาเจโตวิมุตต์นะคะพระอาจารย์แต่ว่าหนูไม่เข้าใจคือพอหนูฟังเสร็จอ่ะมันจิตมันดิ่งลงไปแล้วหนูก็ร้องไห้แบบไม่รู้เรื่องเลยจ้ะค่ะพระอาจารย์มันเป็นยังไงเหรอคะพระอาจารย์เอ้เมตตาเจโตวิมุตต์นะคะคือเจโตวิมุตต์ก็คือการหลุดพ้นด้วยด้วยสมาธิ ซึ่งเป็นการหลุดพ้น oh ชั่วคราว oh. เจโตวิมุตต์คือ ก, การหยุดพ้นด้วยสมาธิจิตเยือนเวลาแผ่เมตตาแผ่บุญเมตตาจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็ความทุกข์ก็หายไป <c oughs> ชั่วคราว oh. แล้วก็มีอีกอย่างก็เรียกปัญญาวิมุตต์อันนี้เป็นการหลุดพ้นแบบถาวรต้องหยุดพ้นด้วยปัญญา oh. มีต้องเห็นใจรัก <c oughs> เห็นอริยสัจเช้าค่ะ อ๋อโอเคเจ้าค่ะแล้วถ้าคือหนูมันจะชอบแบบเจริญพรมวิหารมากเลยค่ะพ <สา S 1> ระอาจารย์กไม่ตาไงพรมวิหารก็ไม่ตาไงพร<อ>มวิหารสีเมตตาการุณาบุรินตาอุเบกขาเจ้าค่ะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเราจเจริญเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเจโตวิมุตไม่ใช่เป็นปัญญาวิมุตจิตจะพ้นจากทุกช่วงเวลาจิตสงบก็ไม่มีทุก แต่พยก็ออกจากความสงบมาเดี๋ยวก็รับาทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อ <c oughs> เป็นจริงแบบนั้นเลยเจ้าค่ะแต่ถ้า <c oughs> เป็นปัญญาวิมุติหนะ์ <c oughs> ไม่ต้องเข้าสมาธิ เ, าเวลาออกจากสมาธิมาก็ไม่ทุกข์กับอะไรเพราะมีปัญญาสอนว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราอ <c oughs> เวลาเราทุกข์เราหยุดความอยากปั๊บความทุกข์ก็หายไปคอยากให้แฟนรักเราเพอเขาเ้าไปรักเราเราก็ทุกข์ พอเราเปลียนใจมาไม่รักเราก็ได้ว่าก็ไม่ทุกค่ะพระอ า, าจารย์ก็สแสดงว่าหนูก็ต้องเจริญก็คือว่าเป็นพรหมวิหารก็ได้แล้วก็วกเราก็เจริญปัญญาควบคู่กันน ะ, ะเวลาเข้าเวลายังไม่มีปัญญาก็เอาพรหมวิหารก่อนแบบพรหมวิหารก่อนอ๋อค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะพอดีว่าพอแบบทำปฏิบัติไปเรื่อย ๆ, ๆ้ะค่ะ เรื่องการนอนกับแฟนเงนี้ยเจ้าค่ะมันมันไม่มีเจ้าค่ะใช่อนมันเบื่ออย่างนี้มันก็เบื่อออย่างหนึ่งการภาวนามันดีกว่าความสุขที่ได้จากความภาวนามันดีกว่าเจ้าค่ะแล้วถ้าเรายังถือเพศคาวาสอยู่เงนี้ยเจ้าค่ะมันคือเหมือนกับว่าทําให้เขาทุกข์อย่างี้เราจะเป็นบาปไหมเจ้าคะโนไม่เราความทุกข์เกิดจากความอยากของเขาเอง เกิดจากความอยากนอนกับเราเขาไม่ได้นอนกับเราเขาก็ทุกเขาบอกก็เลยพี่หาคนใหม่ก็ได้น้หนูโกดจริงๆคะ่ะหนูบอกว่าพี่ไปซื้อกินก็ได้นะ อ, อ, อะไรตัวเนี้ยค่ะคือแบบไม่โกรธนะอะไรเงี้ยไม่โกรธตอนนี้หนู <ขา S 1> จิตจิตเป็นเป็นไปทางแล้วไปทางธรรมะแล้ทางธรรมะ ม, ม่สเรื่องค่ะไม่ค่อยสนเลยเนาะค่ะ แต่ก็แบบว่าเมตตาเขาอยู่นะคะก็แบบสงสารอะไรเงี้ยไม่รู้จะทํายังไงแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนก็เลยทําหน้าที่ของเราไปก่อนก็เลยเราอยากไม่อยากก็ไม่เป็นไรตอบตอบสนองความอยากเขาไปก็ได้แต่แบบวุ้ยมันยังไงก็ไม่รู้เจ้าค่ะมันไม่ใช่แล้วเจ้าค่ะค่ะก็เลยแอบมาคุยตอนดึ๋งๆเผื่อเขาจะนอนแล้วอะไรแต่ไม่ต้องเจ้าค่ะ ก็ต้องอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องเมตตากันน่าเอาเข้าใจกันนะทำหน้าที่ของเราไปจนกว่ามันจะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็อาจจะต่อเวลาจะอยู่คนเดียวต่อไปค่ะาค่ะหนูก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์มีเท่านี้ก็ค่ะโอเคสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณก a l ล x กซีเอแปดอ่าเชนเปิดนิวอันมิวได้ยินไหมค่ะอยู่ที่ไหน การพูดได้เลยคุณโอ้สวัสดีครับอาจารย์ผมอยู่ที่ไหนศีราชาชนบุรีใช่ครับอมีอะไรไหมคืออย่างนี้ครับพอดีเพิ่งจะเริ่มหัดนั้งสมาธิได้สักวันนี้วันที่สิบนะครับได้นั่งวันล้วประมาณชั่วโมงกับอีกห้านาทีเจ็ดนาทีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างนี้ครับพอดีอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเริ่มต้นในการนั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับผมจะใช้การนับ หนึ่งไปจนถึงหนึ่งพันเนี้ยครับทุกๆครั้งอยากจะถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีสติมากขึ้นกว่านี้ครับจะต้องมีวิธีการปฏิบัติยังไงต่อไปครับก็เราหยุดนับแล้วก็ดูลมหายใจเฉยๆอยู่ก็อาจตอนตอนอาจจะนับไปสักร้อยสองร้อยแล้วก็ลองหยุดแล้วก็ดูลมแทนหยุดการนับเพราะการนับนี่มันจะทําให้จิตยังต้องทํางานอยู่ให้ดูลมเฉยๆมันจะสงบมากขึ้นกว่าเดิมกว่าการนับได้ แต่ว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับเรื่องการนับคือบางทีจิตตอนตอนต้นต้นมันยังคิดนู่นคิดนี่อยู่ถ้าดูลมมันไม่อยู่กับลมก็นับไปก่อนนับหนึ่งสองสามไปก่อนจากนั้นรู้สึกว่าจิตมันเริ่มหยุดคิดแล้วเราก็หันมาดูลมต่ออืมเพราะว่าคือที่ที่นับเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะนั่งได้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะหลุดอย่างเงี้ยครับก็เลยหลอกตัวเองโดยการนั่งนับ มันก็ช่วยได้การนั่งเป็นก็มันก็ช่วยเรานั่งอยู่เฉยๆได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่สงบเต็มที่เพราะยากให้มันสงบเต็มที่เราลองเปลี่ยนจากการนั่มาดูลมหายใจต่ออาจจะนับไปสักครึ่งหนึ่งแล้วไหนเราดูลมหายใจดูว่าจะดูได้ไหมดูลมเฉยๆที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกแค่นั้นเองครับแล้ว เ, เกณฑ์เกณฑ์ในการที่จะนั่งสําหรับเบื้องต้นอย่างผมเนี่ยครับ เกณฑ์ในการนั่งเนี่ยคือเราจะมีหลักเกณฑ์ว่าเราจะลุกตอนไหนเราจะหยุดนับเออเราเราจะหยุดพุดโทโธได้หไหมนัน่งให้มันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้<อ>ถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธไปจงกว่าจิตมันจะสงบแล้วมันก็จะหยุดพุดโทโธของมันเองอ๋อโอเคครับเพราะว่าผมติดอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะหยุดหรือว่าจะไปต่อมันคือตรงไหน<อ>ผมเลยใช้กันนับมันเป็นตัวตัดสินอย่างเงี้ยครับนับได้แต่ ต้องต่อไปก็ต้องเปลี่ยนจากนัดมาดูลองนล้วพูดโทอย่างเดียวดูเมื่อสายทูครับนะเข้าใจนะครับโอเคขอบคุณมากครับยันคุณประเวศต่อคุณประเวศจากดัลลัสเท็กซัสอุเอสเอบมนัสการพระอาจารย์โอ้ยพระอาจารย์สองชั่วโมงกว่าแล้วพระอาจารย์แป๊บเดีย<ม>วดีสนทนาธมันเวลามันผ่านไปรวดเร็วครับสองชั่วโมงกว่าแล้วโอ้พระอาจารย์ความจําแม่นมากเลยครับที่ไหนก็จําได้หมด Mm hmm. พระอาจารย์ครับมีข้อถามข้อหนึ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้ๆเราอ่ะทําไมเราสามารถทําได้ดีแต่เวลาเรามาทําอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ครูอาจารย์จิตมันไม่ดีเท่ากับสมัยที่เราอยู่ใกล้ๆท่านหรือครับเพราะว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนกั น, นยอยู่วัดสถานที่มันสัปปยายะการปฏิบัติ อยู่บ้านมันมีนิวรณเยอะมันมีเครื่องรอดใจเยอะมีรูปเสียงกลิ่นรอดอะไรต่างๆบรรยากาศมันต่างกันกานรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยอื mm hmm. สิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันแด้อยู่กับครูบาอาจารย์นี่มันรู้สึกมีความอบอุ่นใจรู้ว่ามีเป็นมีเทรนเนอร์มีโค้ชคอยให้คําแนะนําำคอยคอยเข้าดูเราอยู่บ้านนี้ไม่มีใครคุมเรามาดูเรา กิเลดมันก็เลยอมันก็เลยเอามาเพ่นพ่านเยอะกว่าถ้ายอยู่ครูบาอาจารย์มันจะสํารวมมากกว่าอางนี้เราขอให้ครูบาอาจารย์ส่งกระแสจิตมาช่วยเยอะๆไม่ได้เลยครับไม่ได้เราต้องไปอยู่กับท่านนะต้องไปอยู่กับท่านต้องไปบวชแล้วก็ไปอยู่วัดกับครูบาอาจารย์ถ้าเรายังไม่มีกำลังไม่พอที่จะควบคุมจิตของเราเองก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยก่อนแต่ต่อไปถ้าเราฝึกจนจิตเรา แก่กล้าแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ได้เหมือนเด็กอ่ะใหม่ๆเป็นเด็กก็ต้องอยู่ใกล้พ่อแม่ให้พ่อแม่ช่วยอุ้มช่วยสอนให้ยืนให้เดินให้ทำอะไรแต่พอเราโตมาต่อไปเราก็อยู่ของเราคนเดียวได้ไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่ก็ได้ครูบาอาจารย์เราถึงเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์ทางอีสานก็จะเรียกครูบาอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ ขอบคุณมากครับอาจารย์แต่อย่างใดก็ว่ากันอย่างน้อยอย่างน้อยก็ให้เอาทํามากของท่านมาฟังอยู่เรื่อยๆก็อย่างน้อยก็เหมือนกับได้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นฟังครับผมแต่ว่าแต่มันไม่เหมือนกลับไปอยู่กับท่านโดยตรงเลยครับผมคือเวลาอยู่ใกล้ๆท่านปฏิบัติอไรก็จิตใจมันผ่องมันมันมันง่ายครับมันเหมือนกับทําสมาธิมันก็ ม, <ไป S 1> มีสติมันคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาครับ้วพออยายามนี้ทำไมเราทำไม่ได้เหมือนกับอยู่อย่างใกล้มีจุดอะไรที่เราจะทำให้เราดีขึ้นมากกันครับ <S <S ก็ทำบ้านให้เป็นว่นเสิเอาของบันเทิงออกไปให้หมดเอาของอำนวยความสุขความสบายออกไปให้หมดให้มีแต่ของจำเป็นเท่านั้นเช่นเตียงกับที่นอนอย่างเดียว แล้วก็มันจะได้ไม่มีอะไรมาล่อตาล่อใจให้เราไปเสียเวลากับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรดเราก็จะได้มีเวลาได้ฝึกสติได้ปฏิบัติมากขึ้นเราเราจัดห้องสักห้องหนึ่งเป็นห้องปฏิบัติยเลยไม่แต่เป็นห้องว่างไม่ต้องมีอะไรก็ใช้ห้องนอนนอนคนเดียวสบายครับก็แยกกันนอนคนละห้องก็ปฏิบัติพามง่ายดีครับก็แค่ว่า เวลาปฏิบัติธรรมก็ล็อกประตูห้องว่าเราอยู่ของเราแบบสมรติของเราคนเดียวนะจูครตัวมันครับเขาก็ไปอยู่ห้องเขาก็ใช้ได้ครับมันก็ได้ในระดาับหนึ่งยังไงมันก็ซื้อไปอยู่วัดไม่ได้นะอยู่ผู้บาอาจารย์ไม่ได้แต่เมื่อยังไปไม่ได้ก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ไปก่อนอขอบคุณมากครับท่าอาจารย์ขอให้สุภาพแข็งแรงครับท่าอาจารย์สา คันต่อไปคนเพิญโยคุณิญโย อ, อยู่ที่ไหนอันวิวสวัสดีครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับพระอาจารย์มีอะไรไหมมีครับมีปัญหาหนักใจมาเป็นปีหนึ่งปีแล้วครับอว่ามาเลยผมเนี่ยเคยพาแม่ไปหาพระอาจารย์ ครับไปกราบไหว้หพระจารย์แต่แม่ผมก็ไม่ไม่ให้พาแม่ไปไปหาพระจารย์อีก mm hmm. เพราะแม่ผมชอบพระที่มีเครื่องรางของขังก็เหมือนไปซื้อเขาผิด ล, mm hmm. ล้า น, นอีอืมไปร้านหนังสือแล้วจะไปซื้อตุ๊กตามันไม่มีขายล้านหนังสือเช่าเช่ามาเต็มบ้านเลยเขาชอบตุ๊กตาก็พาเข้าไปหาตุ๊กตา ชอบลายที่แบบมีชื่อเสียงตามหนังสือพิมพ์ได้ก็เป็นเป็นเรื่องของเขาระดับจิตของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาทะเลาะกับพี่ชายเขาไปอยู่กับพี่ชายแล้วก็พี่สบายผมแล้วก็ทะเลาะกันทั้งบ้านคือแม่ผมเป็นคนใจร้อนแล้วก็ด่าเก่งผมก็ตัดสินใจเอาเขามาอยู่ที่บ้านแต่่อยมาอยู่ผมก็แจ้งเขาว่าอย่ามาด่าคนบ้านผมคือแม่ผมเป็น ประเภทแบบด่าพ่อผมจนพ่อผมตายอะ่ะใช่ไปไปห้ามหมาไม่ให้เห่าไม่ได้หรอเออเขาเขาว่าผมจนพ่อผมเสียชีวิตใช้คำนี้ดีกว่าออที่เพราะว่าผมเห็นกับตาตัวเองเออทีนี้พอเขามามาอยู่บ้านผมผมก็ซื้อข้าวปฏิบัติทุกอย่างแต่ก็ยังด่าผมผมก็ยามพยายามนึกคิดถึงพระการว่า คำสอนของพระอาจารย์คือลดความอยากไม่เขาเรียกว่าอะไรอย่าไปอยากให้แม่เขาไม่ด่าเราอย่อยากให้แม่<ะ>เป็นอย่างที่เราคิดออใช่ใช่ใช่ใชครับพระอาจารย์ถูกต้องเลยอื<ะ>แต่ผมก็ลดไม่ได้อ่ะเพราะว่าแบบเขาเขาด่าผมไม่พอเขาไปดา่าภรรยาดา่า<ะ>พ่อแม่แฟน ท, <ะ>ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง<ะ>จนผมก็ทะเลาะกับเขารุนแรงเลย แล้วตัววันนี้เขาก็อยู่ข้างแบบไม่ยอมกินอะไรแบบทิฐีเยอะแต่ผมก็ยังซื้อข้าวให้กินพยายามแบบดูแลเขาเหมือนเดิมในใจผมก็รู้สึกบาปมากๆอะ่ะอาจารย์ก็ อ, อ, <Okay. S 1> อยากถ้าบาปก็อย่าไปทำต่อไปก็เฉยๆหวาให้แกด่าไปคือผมไม่รู้ว่าผมจะทำไงคือใจอยากดูแลแกให้ดีที่สุด ตอยูแลไปดูแลได้ทางร่างกายแต่จิตใจนี้เราเราช่วยอะไรไม่ได้จิตใจของแกเป็นแบบนั้นแกอยากจะดาก็ปล่อยกระดาษไปคิดว่าแกเป็นเหมือนเด็กก็แล้วกันเด็กมันจะร้องไห้เราก็ไม่ไปโกรธเด็กใช่ไหมใช่ครับผมผมได้นันําของพระอาจารย์คือทางสายกลางคือผมต้องทำยังไงดีครับก็เมื่อเราห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขา ทุกวันนี้แกก็ยังแช่งผมทุกวันเลยก็ปล่อยการแช่งไปไม่เป็นไรผมก็กลัวมผมยึดถือเลยว่าคําแช่งของแม่มันมไ ม, ไม่ไม่หรอกไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไร ถ, ถ้าแช่งได้เป็นได้มันก็เป็นผู้พิเศษเท่านั้นแหะผู้ที่จะแช่งเราได้ก็คือกรรมของเราเท่านั้นมุลกรรมของเราเป็นผู้แช่งตัวเราคนอื่นแช่งเราไม่ได้คือตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์เออคือการกระทําของเราเนี่ยแหละเป็นการแช่งตัวเราเอง ให้ดีก็ได้ให้ชั่วก็ได้ือเรามีกรรมเป็นของตนจะทํากรรมบันไดไว้ดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขาเดินมาทําให้เราชั่อให้เราดีไม่ได้ยังก็ดีช่างในไปนิพพานเดี๋ยวย่านโยมไปนิพพานกันทุกคนนะเขาก็ตอนนี้เขาก็พยายามบ่นอยากให้เขาตายให้ตายขอ้เขาเขอยากจะบ่นก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เราไมมีหน้าที่เลี้ยงเขาและเลี้ยงเขาไปใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นเอานัานม่มีหน้าที่ตอบแทนคนทื่เข้าเพื่อะไรเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ส่วนเรื่องอารมณ์เรื่องใจเขานี่เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขาขอบคุณมากครับอาจารย์หมดคําถามแล้วครับโอเคนะคนยืนิรมนเชิญอยู่ที่ไหนคนยืนละมอนได้ยินไหมได้อ่อ กับนมัสการเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนมัสการเจ้าค่ะได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินร้อยเอร์เนอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะยมเคยเอ่ยยมไปพบท่านที่วัดยานสังวรน ะ, นะเจ้าค่ะแล้วยมไปไปรับศีลห้ามาเอ่ก็ ก็ศรัทธาท่านนะเจ้าค่ะเพราะว่าเคยไปตักบาตรที่วัดออในช่วงวันพระเจ้าค่ะก็ตอนนี้โยมมาอยู่กรุงเทพก็จะมีว่าโยมไม่ค่อยได้ไปวัดโยมก็จะนำภาพเก่าๆเพื่อจะมาเจริญธรรมเจริญสติเจ้าค่ะอยากจะให้ท่านช่วยแนะ น, นาเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาพ ชีวิตเก่าๆเพื่อมาเจริญสติไม่ทราบว่าตรงนี้เหมาะกับการเจริญธรรมไหมเจ้าคะ่ะก็แล้วแต่ว่ารูภาพเก่ามันเป็นยังไงถ้าดูแล้วมันทาให้เราทุกข์ก็อย่าไปดูมันเจ้าคะ่ะเราต้องดูว่ามันเป็นดูว่าภาพเก่าๆนี้มันเป็นการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราร่างกายของเราเจ้าคะ่ะเราไม่เที่ยงร่างกายของเราไม่เที่ยงมันจะ แก่ไปเรื่อยๆไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายถ้าจะดูก็ต้องดูแบบนี้ได้เจ้าค่ะูค า, ามใจให้เห็นน้นิจังความไม่เที่ยงของร่างกายอนัตตาไปห้ามไไามันไม่ได้เจ้าค่ะมันไม่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราของเราเจ้าค่ะมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องไปตายแล้วก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟต่อไปเราเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่ได้เป็นร่างกาย ต้องดูแบบนี้เจ้าขาถ้าโ<ม>ย ม, มดูธาารรมะดีกว่าฟังเทศฟังธรรมดีกว่าเจ้าขาถ้ามีโอกาสโยมไปไปชนบุรีโยมจะไปกราบท่านที่วัดเจ้าขาเชิญจ้ะถ้าเดี๋ยวว่าหลก็ามาได้แต่ช่วงนี้ไม่มีไม่มีการแสดงธรรมไปในี้อนชั่วค่าวอ๋องดอยู่นะเจ้าขา มีแต่สาบาตอย่างเดียวบินตาบาตส่บาตตอนเช้าเท่านั้นตอนบ่ายที่คอยแสดงธรรมตอนนี้ตั้งมดไว้ก่อนเจ้าข่าก็ไม่มีอะไรเจ้าข่ า, ากลับขอบพระคุณเจ้าข่ะขอให้เจริญในธรรมนะขอให้สุขใเจริญนะเจ้าข่าคุณลัคอรสท่านต่อไปคุณบลัคอรสอยู่ที่ไหนได้ยินไหมรู้สึกจะเป็นท่ามเน่งนะ คุณพระคอสไม่มีการตอบรับเห็นไปที่คุณ <JB, S 1> พัพทละพรบออรัวสกุก่อนก็แล้วกันจากอบิซาสเปนไปคุณกี่ได้รับอ่ได้รับอา<ะ>หารที่ที<อ>ท่ฝากมาถวายแล้วนะสาธุสาธุจงได้เขาถามว่าได้โอนได้รับการโอนเงินหรือยังอย่างว่ายังไม่ได้รับนะรู้สึกยังมันมันยังไม่ได้แจ้งได้โอนเข้ามาแล้วหรืออ้า โอนไปครั้งหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อหลายเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนใช่ไมใช่ใช่เจ้าค่ะอันนั้นได้รับแล้วได้รับแล้ลลเวเจ้าค่ะเมื่อเช้านี้ก็ถามที่ว่าของล่าสุดที่ว่าของเมื่อวานนี้หรือของวันนี้อ๋อยังไม่ได้โอนเจ้าค่ะโอเคไม่มีกลับรถกลับบ้านพอดีเลยไปรับลูกชายจากโรงเรียนนะเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อค่ะมีอะไรไหม จะกกาบนมัสการหลวงพ่อว่ามันสงบมันนิ่งมันดิ่งตลอดเวลาเจ้าค่ะแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่อยากพูดคุยกับใครเลยก็ดีก็ดีเฉยๆดีที่สุดตลำนึงทองสาธุสาธุเจ้าค่ะไม่พูดแล้วมันไม่มีเวรไม่มีกรรมพอพูดแล้วเดี๋ยวมันมีเวรมีกรรมเล ย, ยเดี๋ยวพูดไปให้คนเขาฟังไม่ดีเขาก็โกรธเราแล้วเกลียดเราพูดไม่ดีเขาก็โกรธเราเกลีดเราขึ้นมาแล้ว พูดได้น้อยที่สุดพูดเท่าที่จําเป็นแต่ไม่ให้เป็นคนไบ้านะถึง <c oughs> เวลาจําเป็นจะต้องพูดก็พูดอย่างตอนนี้เราต้องมาพูดเราพูดแต่ถ้าไม่ถึงเวลาเราก็ไม่พูดเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่พูดกับใครไม่คุยกับใครเจ้าค่ะหล่ห้อแล้วก็อบางทีสามีเขาก็เหมือนคอมเพนเหมือนแบบเหมือนเราไม่ไม่เป็นหน้าที่ของภรรยาไงต้อง เป็นภรรยาต้องสดใสต้องให้เขาเบิกบานก็เห็นแล้วก็แฮปปี้นี่เราทำเป็นเหมือนแม่ชีก็ก็หลวงพ่อบอกให้ปล่อยสังขารลูกก็ปล่อยคือเมื่ออ่าเมื่อก่อนนี้ก็คือเพราะว่าลูกก็รักสวยหลอรักงามอย่างหลวงพ่อเคยเห็นเจ้าค่ะแล้วปอยวางปล่อยทางใจคือใจเราอย่าไปวุ่นวายกับมันแต่แต่ถ้าเราต้องแต่งหน้าทาปากเพื่อทําหน้าที่ก็ทําไป ทำได้แต่ไม่ได้ทําเพื่อไม่ได้ทำด้วยอารมณ์อยากจะทําข้าใจไหมคือตอนนี้มันต้องเล่นละครก็เลยทําแต่ทําแต่กิริยาแต่ใจไม่มีอารมณ์กับการกระทำนั้นๆได้อยู่เพราะเรายังมีหน้าที่อยู่เรายังมีหน้าที่ต้องทําหน้าที่เป็นแม่บ้านอยู่สาธุเจ้าหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกจะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะแต่จังมันไม่ยากแล้วอย่างตอนนั้นอย่างเมื่อสามปีที่แล้วที่ วันหนึ่งฟังหลวงพ่อเทศว่าจะแต่งไปทําไมหน้าแต่งแล้วมันก็ล้าง ม, มันทันทีเลยค่ะมันให้เรานี้ยโง่มานานแล้วตั้งแต่พอวันนั้นมาตั้งแต่ลูกก็ไม่แต่งหน้าอีกเลยนอกจากงานโรงเรียนลูกหรืออะไรที่ที่ที่สําคัญ อ, อันนี้ก็ต้อแต่แต่ไม่ได้แต่งเพื่อเราแต่งเพื่อคนอื่นทีนี้นแล้วคริสต์มาสนี้ก็ดูตัวเองค่ะเรื่องผมหลวงพ่ อ, อก็อ๊ีเราผ่านดีใจผ่านเพราะว่า คิสมาสปกติเราจะต้องเต็มที่ลูกก็นั่งมองคุณแม่ครับคุณแม่จะไม่ทำสีฟูดีจริงเหรอลูกลูกก็ น, นิ่งแล้วสามีเขาก็นั่งมองแล้วเขาก็ยิ้มใจๆในส่วน <c oughs> นั้นะเราก็ต้องรักษาหน้าที่ของเรางั้นเดี๋ยวกิดเขาเบื่อเขาอาจจะไปหาคนอื่นแทนเราก็ได้เราจะไปโทษเขานะเราไม่ทําหน้าที่ของเรา ได้เราแต่งได้แต่เราเราไม่ได้แต่งเพื่อเราเราแต่งเพื่อเหมือนเราเป็ น, ปนพนัก ง, งานเดินพนัก ง, งานเสิร์ฟ บ, บนเครื่องบินอย่างเงี้ยเราทําหน้าที่พนัก ง, งานเสิร์ฟก็ต้องแต่งชุดเครื่องแบบแต่งหน้าทาปากอะไรไปเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้ทำเพื่อรักสวยรัก ง, งานเหมือนเมื่อก่อนนะ ค่ะทูตเจ้าค่ะหลวงพ่อยาสุดตรงว่าเนี้ยบางทีนั่งปฏิบัติเนี่ยมันชอบสุดตรงพอไม่ให้แต่งมันก็ไม่แต่งเลยบางทีไม่อาบน้ําด้วยไม่ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อก่อนสามีเขาก็จะวิวทำไมยูอาบน้ํำว่าหนาวอาบเช้าอาบเย็นอะไรอย่างเงี้ยอกว่าวิวสมันก่อนนอนรู้สึกเราไปนอนแช่น้ํามื้อเราสบายแล้วเดี๋ยวนี้ยบางวันรู้สึกไม่อาบมันกลับกลายเป็นเขาก็ก็ปรับเราแปลกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดตรงแกว่งไปแกวงมาอือ เราเอาทางยึดทางสายกลางนะพอดีพอดีอทุศาทูเจ้าค่ะหลวงพ่อเรเรายังต้องอยู่กับคนอื่นอยู่ถ้าเราไปอยู่วายคนเดียวก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วอีกหนึ่งคำถามคือมันมันมั น, มน อ, ยอยากอยู่คนเดียวคือวันไหนที่สามีออกไปข้างนอกไปใช้ประชุมกับโปรเจกต์แมเนจเจอร์ไปตรวจโครงการลูกก็ไม่อยู่แม่บ้านก็ไม่มาทำงาน ทำไมมันสวรรค์ฉันรู้สึกฉันอยู่ฉันเดียวที่มีความสุขเหลือเกิน<ช>แล้วบางวันก็อยากจะไปนอนปักกดนอนอยู่คนเดียวแล้ ว, ล ว, ค, วความสุขเนื้อความความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนะเด้๋วค่ะจริงๆเจ้าค่ะพ่อเจ้ารูปแบบมันมันความรู้สึกมันเป็นอย่างนัจริงๆที่อธิบายได้แล้วลูกก็แบบ เวลาลูกนั่งหลวพ่อมันก็คือไม่ต้องอะนี่แล้วคือทันทีมันดิ่งทันทีเลยเจ้าค่ะนั่งเมื่อไหร่ก็ดิ่งทันทีหรือแม้แต่ยืนทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะดิ่งบางทีลูกมาทักหรือหรือว่าสามีมาทักลูกก็จะแบบออตกใจแต่ว่าก็ตื่นกลับมาอย่างเงี้ยเออได้ก็ต้องรักษาทางสายกลางไว้ครึ่งหนึ่งสำหรับเราครึ่งหนึ่งสําหรับคนอื่นนะตอนนี้เรายังอยู่กับคนอื่นอยู่ สาธุสาธุทุกครั้งหวพอรู้จะน้อมไปปฏิบัติทุครับโอเคขอบระ่ไเสบาดีนะสบายดีครับตอนนี้เปิดเทอมิเอมอ๋อเปิดเทอมอยู่ครับเปิดเทอมอยู่นะครับโอเคน้องถามเป็นภาษาอังกฤษไหมครับแต่หลองตาตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ อ่ uh, า, น, านได้าถามมาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อย่างก็ถามมีเขาไม่คอเข้าใจภาษาไทยด้วยคะย่ะอ่ก็ให้ for like for example um like if my mom if like she's in like s m a r t y s o l t o um if I like uh, sometimes it's like I just wanna talk to her but ended up like k i n d o make her like men ex like s กใจรับ like surprise sort of and she would kind of like oh because like I not meant to like get, make her like Like she was like sort of meditating sort of, while she's like cleaning her dishes or whatever. But if I if I go in and she's like, oh, I'm like I'm smarty right now, like shouldn't be distracting me sort of things. Like I did not mean to. sort of. Well, yeah. you have to, to try to make know, me feel bad. You sometimes. You have to know what she's doing. Say whether you you should interrupt her or not. If you want to interrupt her, you might have to wait until she recognizes you first. Don't approach her while she is concentrating doing something else. Right. Okay. Find okay. time when she looks at your face, then you can then talk to her. But i f she s doing something, if you want her attention, you might make a little sound first or something to know that you know you want to talk to her. Yeah. c o m o Send some signal first. Because sometimes when she concentrated on something, and then she is, is being interrupted, it, it, it might break her concentration. Yeah, but but, but like sometimes I didn't know that because okay. like she just d i n t Okay, then it doesn't matter as long as you didn't have any intention to hurt her. It's, it's okay. Yeah, I like my intention is nothing to like. Yeah, so you, you don't feel bad about it. Just not knowing the proper time to approach her. Mm -hmm. Okay. Alright. l เดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปนะขอบคุณข้าหล่อขอบพระคุณเจ้าข้าเห็นไปที่คุณปุ้มก่อนปุ้มทับปุ้มทับจอจอตั้จอนอนไม่ได้นะเออจนอน อยู่ที่ไหนคุณปุ้มคุณปุ้มรู้คุณปั๊มรู้หหงไหมรูอยู่ที่บางพระครับบางพระชีบุรีเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเคยไปหาหลวงพ่อสองครั้งครับหลวงพ่ อ, อ, อมีอะไรไ้มวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับหลวงพ่ อ, อชื่อป<บ>ุ้มชื่อปุ้มหรือชื่อปั๊มชื่อชื่อท็อปครับหลวงพ่อชื่อท็อปชื่อภูมิรัตครับอภูมิรัตน์ครับไม่มีอะไรนะไม่มีครับก็ก็ตอน ทุกวันตอนเชา้าผมจะตื่นมาผมจะกำหนดลมหายใจดูลมพุทโธเข้าออกครับผลวอเออดีพยายามทำไปเรื่อยๆนะทำใจให้สงบ เ, เ, เ, เห็นมาที่บา ย, ยกผู ป, ป่ามุกมหวมีอะไรไหมกลุ่มเด็กไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรไม่คุณแม่มาแล้วมืนี้ม่ไจ้เข้ามายม ออกกำลังกายก็าเลยมาช้าขอโทษค่ะยงยงไม่มีค่ะยงก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะได้ยงเข้ามากลาบดีพยายามปฏิบัติทำไปเรื่อยๆน ะ, ะทำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตใจน้อมเย็ยนเป็นสุขค่ะ ไม่เพราะโควิดยมรอโควิดตอนนี้ที่ชนบุรีโควิดเป็นยังไงบ้างคะพาจารย์ก็ยังเป็นแดงอยู่ครับแต่ไม่มีคนติดเชื้อมาอยู่สามสี่วันนะมันอาจจะเข้าข้อขอเปลี่ยนจากสถานภาพจากแดงมาเป็นส้มอยากไปใส่บาตในหลูกเด็กอยาไปไหมไปแต่ว่าที่ใสยบานพมาได้มันก็มาจากกรุงเทพมาสสยบาตกันเดี่ยวเป็นประจำ แต่ไม่มีการแสดงธรรมตอนบ่ายเลยตอนบ่ายยังไม่ได้มีการแสดงธรรมค่ะงั้นเดี๋ยวไว้วันเดี๋ยวไว้วันวันอาทิตย์เนาะอ่าสะดวกเมื่อไหร่กมาก็แล้วกันเนอแต่พอดีช่วงนี้เด็กยังมีเรียนออนไลน์อยู่ค่ะวันจันทร์วันศุกร์วันวันเสาร์ยังมีเรียนการถืงสาวเขามีเรียนอยู่ค่ะได้เขอบคุณนะคโอเคค่ะ กราบนบมสัสการค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้รู้สึกทุกท่านได้มีโอกาสได้พูดได้ถามแล้วทีนี้นราไปที่คุณคุณลา้าคุณล้ามีคำถามเข้ามาไหมมาเนี่มีหกคำถามจากทาง facebook เจ้าค่ะเอ่อเชิญถามได้เลยคำถามแรกจากคุณหญิงอุไทยวันกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามเกี่ยวกับหนังสือชื่อธรรมะสดสดร้อนร้อน ชุดนี้ทุกเล่มเป็นการรวบรวมกันเพศเกี่ยวกับการภาวนาเข้าไว้ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วมีหนังสือชุดอื่นอีกหรือไม่คะที่รวบรวมเฉพาะคำสอนภาคปฏิบัติค่ะก็ขอพระคุณเจ้าค่ะก็จรธรรมนำจายนี้ก็เป็นชุดที่พูดเรื่องการปฏิบัติถ้ากำลังใจนี่จะพูดแบบทั่วๆไปแต่ในนี้ตอนหลังเอากำนำจรธรรมมารวมกับกาลังใจด้วยแล้วมันก็เลย คอกาว่าสับสนถ้าได้อยากจะสนใจในเรื่องปฏิบัติการจุลธรรมนำใจเข้าไปในเว็บไซต์พาร์าสุชาติดอทคอมก็ได้หรือกรรมฐ า, านดอทคอมก็ได้แล้วเอ้เรื่องอา่อานจุลธรรมนำใจเนี่ยมีอยู่ประมาณสักยี่บสามสิบตอนนึงตามสิบเล่นน้ก็เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ คำถาม ต, ต่อไปจากคุณสวีตคอนตรังน้มัสการเจ้าคะ่ะขอโอกาสถามเรื่องจิตเสียหายจากโทสะเมื่อเกิดโทสะกำหนดรู้ว่าโทสะเกิดและจิตอีกดวงที่ไม่ชอบโทสะก็เกิดแต่ก็ดับโทสะไม่ได้จิตฟุ้งซ่านมากหาทางแก้ด้วยการจับพุทธโธฟุ้งซ่านก็มาจับอยู่กับพุทธโธก็ไม่หายก็สวดมนต์ ก็ไม่หายทางกายก็รู้ว่าหัวใจเต้นแรงใจรุ่มร้อนและมือเท้าเย็นอาการตั้งอยู่นานมากมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะขอน้อมกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะก็สวดไม่มากพอ ไ, ม, ไม่พุทธโทนานพอเหมือน mm hmm. กินยาเม็ดสองเม็ดถ้าก็หยุดกินนี้มันก็ไม่หายยาก็ต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่าโรคจะหายถึงจะหยุดกิน โกรธเกิดความโกรธขึ้นมาก็ต้องพุดโทรันยังกว่าความโกรธมันจะหยุดถึงจะหยุดพูดโทรได้หรือสวดมนต์ไปจะกว่าความโกรธมันจะหายไปนั้นกินยาน้อยไปสวด น, น้อยไปบริการพูดโทรน้อยไปมันก็เลยไม่หายลองกลับไปใหม่นะต่อไปเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็สวดไปอิติปิโสร้อยจบดูมันจะหายไหมให้มันดูไปเลย เน้พูดโทร ไ, ได้เรือยๆพุโทโธรพันครั้งเหมือนคนที่นั่งสมาธิถ้าบอกเาบอกบขนั่งหนึ่งถึงพันนั่งไปชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งความโกรธนี้หมดเลยรั บ, ร, บรับประการได้พอรับไปถึงพันนี้ความโกรธหายไปหมดค่ะคำถามต่อไปจากคุณทีธนาพุทธน้าโยมต้องผ่าตัดเชื้อโลกออกจากกระดูกสันหลังขอความเมตตาพระอาจารย์สอนสติปัญญาอย่างไร ให้อยู่เหนือความกังวลได้อย่างกล้าหาญและมีพลังเจ้าคะ่ะน้อมกับสาธุเจ้าคะ่ะก็ร่างกายเป็นอนั่งตายไม่ใช่ตัวเราเป็นตุกตาที่พ่อแม่ให้เรามาเราใช้ร่างกายนี้พาเราไปไหนมาไหนเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งตอนนี้เราต้องเอาเข้าอู่ซ่อมแล้วก็ซ่อมเหมือนไปซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปไม่ช้าก็เลยก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ด้วยกันทุกคนคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องการทำยังไงดีครับพระอาจารย์วัยรุ่นมีราคาเยอะครับ อ, อ๋อก็เป็นธรรมดาของวัยรุ่นน่ะมันก็ทุกคนมันก็มีราคาวิธีที่จะแก้ราคาก็เกิดถือศีลเ น, นี่ยถือศีลห้าเนี่ยอย่าไปสั้ำซ้อนอย่าไปเที่ยวอย่าไปอะไรกับคนที่เขาไม่ใช่เป็นภรรยาของเราอันนี้ก็เป็นวิธี เบรกมันไว้ขั้นหนึ่งถือศีลอย่าไปทำผิดศีข้อสามประพฤิผิดประเวณีแล้วถ้าใช้พุโทโธได้ก็ฝึกพุพโทโธไปทำใจให้สงบใจสงบแล้วราคะมันก็จะพับตัวชั่วข่าวแล้วถ้าใช้ปัญญาได้ก็หัดมองความไม่สวยงามของร่างกายมองอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังบ้างว่าร่างกายนี้ นอกจากผมคนเล่นฟันหนังแล้วยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีลำไส้มีปอดมีตับมีไตอะไรต่างอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยบรรเทาื่อกำจัดความการมาราคะได้ก็มีหลายหลายขั้นด้วยกันขั้นง่ายก็คือเนี่ยถือศีลห้าไปก่อนขั้นต่อมาก็หาใช้สติพุทโธเหยุมัน ท่านากก็คือปัญญาพิจารณาสุภาษณอยู่ความไม่ช่วยงามของร่างกายทั้งของเราทั้งของคนที่เราเป็นมีการมาลงด้วยคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสุมาศโพอาศัยกลาบเรียนผ่านพระอาจารย์ฌานกับสมาธิมีความแตกต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันสมาธิเป็นคําคํารวมฌานเป็ น, เ ป, นเป็นสมาธใิในแต่ละขั้น สมาธิมีอยู่แบบ9้าขั้นในกันแบ่งเป็นฌานสี่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่แล้วก็สมาบัติเนี่ยอันนี้เป็นสมาธิท่นั้นทำถามต่อไปจากคุณดอมประชานมัสการครับสอบถามหน่อยครับผมทำกลุ่มให้คำปรึกษาปัญหาให้กำลังใจกันในแบบทางโลกโลกสมาชิกบางท่าน ก็ช่วยเหลือคนอื่นดีสมาชิกบางคนก็ซ้ําเติมคนอื่นแบบนี้จะบุญเป็นบาปครับแต่เจตนาผมคืออยากให้คนช่วยเหลือกันผมควรทําต่อไปไหมครับก็เราต้องยอมนะ ว, ว่าในสังคมคนเรามีมความแตกต่างกันมีคนดีดีก็มีคนไม่ดีก็มีดีมากก็มีดีน้อยก็มีไม่ดีมากก็มีไม่ดีน้อยก็มี อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนไหนเข้ากลุ่มแล้วไม่ดีก็ช่ยก็ออกไปก็แล้วกันพยายามคัดกรองเอาแต่คนที่ดีไว้ถ้าเป็นงานที่ดีทําให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็ควรจะทำต่อไปแต่เราต้องรู้จักวิธีคัดเลือกคนที่จะเข้ามาในกลุ่มไม่ให้มาสร้างสร้างเรื่องสร้างราวให้กับคนอื่นเราเจตนาเราเราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่มาซ้ำเติมผู้อื่น อันนี้ังนนถ้าเป็นการกระทาที่ได้รับคนอื่นเขาได้นำประโยชน์ก็น่าจะทำต่อไปอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเท่านั้นเองคำถามสุดท้ายจากคุณกายสิทธิ์เวลานั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบแล้วตัวจะหมุนและบางครั้งสะดุ้งเราพยายามรู้ตัวพระอาจารย์พอช่วยแนะนำแก้ไขอย่างไรบ้างครับ แสะดงว่าไม่สงบถ้าสงบแล้วต้องทุกอย่างนิ่งหมดแสดงว่าจิตไม่สงบก็ต้องยึดพุดโทโธไว้ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขนาดนั้นหมด <า S 1> แล้ ว, ลวใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาที่คนแบบครกคอสเสียั้งหนึ่งไม่ทราบตอนนี้พูดได้อยางแรบกบคอสหมายเลของคนแรกคอสได้ยินไหมเห็นนิ่งอย่า เห็นไปที่คนปรามวะลายจอยวงเอ้เมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมคนเดียวกันหรือเปล่าพูดแล้วก็ค่ะอ่ามีอะไรจะพูดไหมก็ยมยมลืมเรียนแจ้งพระตามไปว่าปัมพิยมไปวัดอะค่ะแล้วยมก็เริ่มมาปฏิบัติยมนั่งสมาธิได้ดังหน่อยดังหน่อยมันก็ดียมยมนั่งสมาธิได้เพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะค่ะเออดีฝึกไปเรื่อยๆนั่งให้นานๆนะ ชั่วโมงสองชั่วโมงได้ยินดีนะเจ้ค่ะโอเคเป็น black h o r s e เจ็ครั้งหนึ่งเป็น black h o r s e ได้ยินไหม black h o r s e หมายเลขสองเฮ้ยคงไม่ได้ยินแล้วงเห็นหน้า black hole number two ไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะนี่ยินนะก็รู้สึกจะหมดแล้วมั้งท่านที่เข้ามา ม, มีมียกมืออยู่สองคนนะครับเอาว่าเล่ น, เน ะ, อะนเอาแชร์ว่าเล่นก่อนขอโทษครับรหลวงตาบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงอะไรเหรอครับก็วิธีทําสมาธิมันทําได้สองแบบไใช้สติอบรมก็ใช้พุทโธใช้การอันนี้เลือกใช้สติอบรมสมาธิเาเวลาจิตมันใช้สติไม่ได้มันดื้อเพราะมันกําลังโกรธใครอยู่ก็ต้องใช้ปัญญา มันดับความโกรธก่อนความโกรธเช่นพิจารณาว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วไปโกรธตอนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วมันเรื่องมันผ่านไปแล้วเนื้อให้อภัยเขาได้ก็ให้อภัยเขาไปแผ่เมตตาไป oh. อันนี้เรื่องการใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาก็ได้การที่เหตุการณ์หรือคนเขาทาอะไรมันเราไปควบคุมบั ง, บงคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ แล้วก็อย่าไปกดเหมือนฝนตกเหมือนฝนฟ้ากานเราไปโกดฝนฟ้ากานหรือเปล่าเราควบคุมฝนฟ้ากานไม่ได้คนมันจะตกก็ตกองนี้คนก็จะดา่าก็ดา่าคนก็จะทําอะไรก็เขาก็ทำของเขาแล้วก็อย่าไปโกรธเขาปไหวก็ทําไปและใช้ปัญญาพอเจ็ดท้ายโกรธแล้วก็กลับมาพูดโธต่อได้ดูลองหายใจต่อได้นะเรียกปัญญาออมสมาธิ เนครับอีกสองสมวันนี้ครบรอบหลวงตาสิบปีแล้วนี่ครับเออก็ทําบุญท่านปฏิบัติบูชาท่านสอนให้เราปฏิบัติบูชากันทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิกันนะถ้าอยากจะบูชาพระคุณของท่านก็ใช้การปฏิบัติบูชานะสิ่งหลวงตาเลครับที่ชอวยอภัยชาติใ่ไหมรู้สึกว่าท่านเมื่กาลทํานทำกับทางโลกท่านก็ทำกับ มันเป็นฐานะของท่านที่จะท่านทำได้ท่านก็ททาไปเราฐานะของเราทำอะไรได้เราก็ทำตามฐานะของเราไปมีใครมีใครอีกไหมมีมีคุณวิลาศินีครับวิลาศินีแจมาปิดไทยนะปิดไทยปิดต้นแล้วก็ปิดไ <th ai. S 2> ทยค่ะันพชาเมื่อกี้โยมเข้าไปฝากคำถามใน Facebook แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่าค่ะสงสัยไม่ถึงมั้งคะโ<า>ยมเข้าไปในเฟ ค่ะอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายทางเงินของจิตคือยมไปอ่านเจอคําว่าเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์มันต่างกันยังไงล่ะคะวิมุตต์แปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์เนะีเจโตก็คือสมาธิเจโตขึ้นมาจากคําว่าจิตทําจิตให้สงบเรียกว่าเจโตแต่เจโตวิมุตต์ก็สงบแบบความทุกข์ก็ดับไปชั่วคราวเวลาจิตเข้าสมาธิจิตก็ความทุกข์ก็หายไปหมด แต่พ อ, อจากสมาธิมาเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องที่ทำให้เราทุกข์หม่ได้แล้วเจโตวิมุติเป็นความหลุดพ้นชั่วข่าวด้วยสมาธิค่ะส่วนปัญญาวิมุตก็คือหลุดพ้นอย่างถาวรด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดกิคือความอยากของเราดงนั้นเราหยุดความอยากปั้บความทุกข์มันก็จะหายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาค่ะอ๋องั้นเจโตก็เหมือนเราทําสมาธิใช่ไหมคะท่าน แรปัญญาก็มีการให้หเรามีแรงทำวิปัสนาใช่ไหมคะใช่แสดงว่ายมเข้าใจไม่ไม่ถูกเลยอะค่ะพราะไปอ่านมาจากไหนไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วค่ะดีค่ะวันนี้เข้าใจแล้วค่ะเอเป็นวิปุสนาว่าหลุดพ้นจากความทุกขเวลาเข้าสมาธิมันมันก็หลุดพ้นชั่วข่าวแต่พอออกมาใครเกลียดใคยโกรธใครก็ยังโกรธอยู่ยังเกลียดอยู่นีไม่ยังทุกอยู่แต่ถ้าใช้ปัญญาว่าเอาเราไป ไปโกรธเขาไม่ได้ไปเกลียดเขาไม่ได้เพราะเราไปบงังคับเขาไม่ได้เขาไม่เขาทาอะไรตามที่เราอยากไม่ได้เราก็อยู่ความอยากเราเราอยู่ความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราอเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแล้วต่อไปเจอ ก, กันกี่ครั้งก็ไม่ทุกข์เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะแล้วอีกนิดนึงนะคะเพราะว่า น้องคนก่อนหน้าค่ะที่พูดถึงอที่ถามว่าฌานกับสมาบัติต่างกันยังไงหรือสมาธิอะค่ะที่ท่านพูดถึงรูปฌานอรูปฌานแล้วยมจําได้วยมฟังเทศของท่านท่านพูดถึงว่าการที่เราจะออกจากใต้ภพเนี่ยเราจะต้องเลิกเสพการก่อนทั้งหมดให้มาเสพความสุขในรูปฌานแล้วก็อรูปฌานใช่ไหมคะแล้วสักพักหนึ่งเราก็ต้องเลิกความสุขรูปฌานอรูปฌานเหมือนกันใช่ไม่เสพเลยไม่เสพทุกอย่างแสดว่าความสุขจากสมาธิ แสงสว่างจิตละเอียดอะไรเราต้องทิ้งมันหมดใช่ไหมคะท่านเพราะมันเป็นอนิจจ์ทุกข์กับนัสตาเราต้องถ่ายถอนออกหมดเลยอใช่แต่ตอนตั้เราสายมันปล่อยกามก่อนปล่อยก่ะต่อไปพอเราไม่ติดกามแล้วเราเราจะมาติดสมาธิเราก็ต้องเลิกสมาธิต้องไม่ติดสมาธิต่อไปแต่ยังโยมยังไปไม่ถึงไหนเราก็ต้องเซฟมันก่อนใช่ไหมคะเพื่อให้เราแบบคใช่ต้องอาศัยมีปัญญาก่อนเรามีปัญญาแล้วมันก็จะมันก็จะ มันก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้านเรื่องปัญญาค่ะมันจะค่อยๆเป็นไปทีละขั้นของมันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะที่ท่านบอกโยมว่าแสงสว่างไม่ต้องสนใจมันจะมาหรือไม่มาก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่เะอย่าไปสนใจค่ะเอาความว่างความนิ่งเป็นหลักในการปฏิบัติค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบขอบขอบคุณค่ะอคสาอ่ามีใครอยากจะถามอีกไหม ค่าคุณคุณภูมิคุณทับอ่ า, มมาเชิญได้ยินไหมครับหลวงพอ่อได้ยินได้ยินอ่ตอนที่อ่ผมปฏิบัตินะหลวลงพอ่ออ่าคาาํามภาวนาหายไปนะหลวลงพ่อแล้วก็กายนิ่มหนายไปพอดีก็เหมือนตกลุมมกงกรเข้าไปในส่วนหรือของนั่นแหละ ค, ค, คือจิตเวลาสงบมันจะเป็นมีลักษณะอย่างนั้นอ่ครับหลวงพ่อก็ ก็นแรกมันเป็นพื้นที่ความว่างเหมือนอากาศจั ก, กรวาลไม่มีที่สุดครับแต่พอพอนอนกลับมานี่จะเห็นเป็นผู้รู้ที่เด่นดวงทํากลางความว่างก็หลวงพ่อใช่นั่นแหละคือผู้รู้ว่ามีอยู่ต า, ามลำพังมวลสัตว์แต่ว่ารู้ก่อนเอผมก็ได้ผมใช้คำพนพะพุทธหรือพุทโธไหลไปไผมก็เออ่จะต้องอยู่ผู้รู้ใช่ไหมครับหลวงพอ่อได้ได้ ให้ยุวกับผูร้รู้ให้รู้เฉยๆครับหลวงพ่อเราสมาธิขั้นไหนครับที่เราจะสามารถอ่าพิจารณาร่างกายได้แบบเนโดยละเอียดครัหลวงพ่อเออไม่ไม่ได้ทุกขั้นเลยสมาธินี้ไม่ได้เป็นที่พิจารณานะจะพิจารณาต้องออกจากสมาธิก่อนแล้วจะออกสมาธิมาแล้วก็พิจารณาร่างกายได้ครับหลวงพ่อ เวลอยู่ในสมาธิอย่าไปพิจารณานะต้องการให้จิตเน่งให้สงบนานๆไม่้จิตทํางาน <Okay. S 1> เพื่อจะได้มีกําลังพ <Okay. S 1> อจากสมาธิมาทีนี้จะได้เอากำลังของสมาธินี้ามาพิจารณาร่างกายได้พิจารณาตายรักได้ครับ <Okay. S 3> uh, หลวงพ่อครับอีกต่อผมขอทําอีกสัาวัตหนึ่งครับเอผมจะนอนภาวนาะก่อนนอนตุ่เครือครับหลวงพ่อแต่มันจะมีช่วงบางครั้งอ่ะเหมือนเราจะตื่นแต่ร่างกายมันขยับไม่ได้ครับหลวงพ่อ แต่จิตว่าเห ม, ผม else, ือนก็มันตื่นอยู่แต่ร่างกายมันขยับไม่ได้ก็เพราะว่าเราเราเราไปเจริญสตมันก็เลยไม่หลับอะไก็เราอย่าไปเจริญสติเป็นเหมือนใครแบบสภาวะจิตแยกออกจากกายมั้งหลวงพ่อก็เนี่ยจิตมันตื่นไงแต่ร่างกายมันหลับเอ้โหหลวงพ่อแต่เวลาหลับจริงๆมันไม่มีสติมันก็จิตก็ไม่รับรู้ไม่รู้อะไรมันก็หลับ ถ้ามันมีสติดีมันก็รู้ตัวเองเก็ไม่เป็นไรแค่รู้ตามความเป็นจริงไปนะไม่มีอะไรเสียหายาคิดว่าวันนี้สมควรกับเวลาแล้วนะนคุณหน้ายังมีคำถามอีกไหมไม่มีคำถามแล้วเ <Okay. S 2> จ้าค่ะก็สองชั่วโมงกับห้าสิบนาทีก็คิดว่าพอสมควรกับเวลา ไปเรียนหนงสีที่ไหนก็ไม่สอนนานอย่างนี้หรอกทั้งสองชั่วโมงห้าสินาทีไม่มีการพักเลย้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอน